จบนะครับการจัรายการสดที่นี้ครับก็ไม่ได้มาที่ดีนานนะครับทีู้ก็มีมารการมาร่วมจัดรายการนะครับต่อวันนี้นะครับเป็นวิหมายที่ดีด้วยนะครับว่าเราใด้ไดทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูผู้นิยมทีวีก็จะเป็นระบบ HD แล้วนะครับแล้วก็ รเราจะมีงานใหญ่ก็คืองานวันม า, าประวัณานะครับซึ่งผมขับรถเของมานะครับจู่ว่ากาสเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทังบ้านนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับที่บริเวณประตูมโซแห่งนี้นะครับตรง น, นี้แะครับทําให้เป็นประเด็นในใจครับพอครับและนี้ผมมีประเด็นอยากจะถามเพื่อจะได้มีการศึกษาและมีการยกสภาวะ ของตัวเองเราๆท่านๆนะครับเมื่อประมาณสองปีกว่าที่แล้วครับผมจำได้ครับผมโอกาสได้ม า, าร่วมนะครับเตรียมงานได้มาสังเกตการใช่ว่าสังเกตดีกว่าครับผมผู้ศึกษาสังเกตการเตรียมงานมหาปรมาณนาครับผมกับแล้วผมพบท่านอุตสรท่านหนึ่งครับท่านใช้คำพูดกับผมว่าท่านไปชีวิตท่านไปงานาปรวรณนามาเยอะแยกมากมายหลายที่ ท่านช้คำพูดกบผมว่ามีของอสศกเท่านั้นแหละที่มีความชัดเจนจริงจังและเข้มข้นในเรื่องของการพาวนานะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมเกิดนํำเพื่ออยากจะสักถามนะครับให้เกิดมิติปัญญาเกิดขึ้นในการยกระดับนะครับความเป็นไปของชีวิตของตนเองด้วยนะครับเพราะว่า การเข้าสู่กระบวนการของภาวรานั้นเนี่ครับโดยเฉพาะย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องชาวาโสมเราอยู่โดยระบบคุณนิยมใช่ไหมครั บ, บแล้วก็เราอยู่โดยระบบศาสนาโภทีนะครับแล ะ, ละกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีในส่วนของธรรมะผู้บวชทั้งหมดเนี่ยในคารวะที่นี้ก็คือการภาวน า, นานนครับพี่กูครับ <S <S <S <S ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึก อย่างหนึ่งก็คือโดยธรรมชาติมนุษย์ครับป้ากูครับ<ม>ถ้าพูดชื่นชมกันครับยกยอป้อนชื่นชมบอกกันดีเนี่ยมนุษย์ชอบอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าจะมาพูดว่าเปล่าตำหนิตีเตียนนะครับเป็นนู่นเป็นนี่เป น, นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มนุษย์ชอบเป็นพื้นฐานธรรมชาติานะครับอแต่นในาะเดียวกันในพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นศาสนาเดียวหรือเปล่าที่บอกว่าให้หนึ่งปี ไม่ดีไม่งามตำหนิอีจเกียนกันได้ไม่ว่าจะมีสถานภาพสูงต่ากันขนาดไหนแต่วันนั้นให้มีความเสมอภาคเสมอใจกั น, น, กนซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนะสําหรับการที่จะเตรียมจิตหรือกายกจิตนะครับสําหรับผู้ที่เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นซึ่งเป็นอนัต บ, บุหรือยเฉพาะยิ่งยิ้งสัมมาทัณฑ์ทั้งหลายในขณะเดียวกันที่ผมต้องตั้งคำถามแล้วคนอย่างพวกผมที่เป็นฆราวาส ท, ทั่วไปครับผมจะเรียนรู้สิ่ง น, นี้ วนการในการเตรียมตาอย่างนี้เราจะเตรียมตาชีวิตเราได้อย่างไรนะครับเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดว่าคนที่มาบอกก่าเรานะครับหรือแนะนําเราเป็นไปด้วยพรมฐานสีหรือเปล่าเพราะไม่ได้มีเครื่องมือมาวัดว่าก้อยเนี่ยบริสุทธิ์จริงนะไม่บริสุทธิ์จริงนะทยังไงจะเกิดยกกระดับจิตในความบริสุทธิ์ต่อกันยี่มองซึ่งทางกนอย่างไรตรงนี้ครับเป็นประเด็นในการเตรียมตาร่รวงหน้า ใรู้และได้ศึกษาในกรณีของจะ ต, ต้องมีวันมหาโวรานาและอีกนิดหนึ่งครับทุก ค, ครับผลจากวันมหาบวรวนาไปแล้วครับเรื่องราวต่างๆบางครั้งมันมีเรื่องราวออกมาเกิดขึ้นผลจากการเข้าไปที่บวรวนาสังคมโดยรวมก็อย่างที่ผมบอกครับมันมีฐานจิตที่ไม่เท่ากันบางทีก็อาจจะมีการไปต่อเรื่องนินทาว่าไล่ให้กล่าวแต่งเติมเสริม ตรนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่กระบวนการทั้งยิ่งทั้งอ่วงเนี่ยเราควรจะศึกษาและเตรียมติดเราและศึกษาความเป็นไปใด้สิ่งนี้เนี่ยควรจะเป็นเช่ไนไรครับตามสถานประกอบครับทั้งมาเดินครับซ้ามก็เดินเหนือซ้อมไปทำไมซ้อ <laughs> มไ ป, <laughs> ม ไ, ปไม่ได้ซ้อเลยครับ ก็่งมันในรยะยาวยาวๆนับพราว่านาได้ถามทีครับปีหนึ่งประวัมหาประรณาเรั้งน่งปร้นัน่ประเด็ น, นสรุปประเด็นขึ้นหนึ่งนะครับทำไมในพุทธศาสนาจึงมีศาสนาเดียวรูปแบบที่ให้เกิดมีการปราณาเกิดขึ้นนะครับสเอาสอก่อนนะครับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการประรณา น, นาั้นก็คือเพียงแค่สมณะเท่านั้นเองนะครับในหลักอภิธรรมว่าท่านไม่เกี่ยว สาคือคราวาสเนี่ยก็ อ, อยู่ในระบบเดียวกันอยู่ในพุทธศาสนาด้วยกันคราวาสควรจะศึกษาและเอาสิ่งนี้มานำใช้ประโยชน์อย่างไรต่อการพัฒนาจิตตัวเองก็คงได้สามประเด็นนี้ก็จริงจิมันต่ อ, อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันอธิบายรวดเดียวถึงกันไปหมดได้เลยการบอก ให้ราวนาในเอาความหมานี้ก่อนภาวนาคือการบอกจริงใจขอ ง, ง, อง ต, ตอนเองครับแต่ตนเองต้องบอกตอนเองต้องจริงใจว่าต้องการให้ผู้อื่นตนิติดเตดียนว่ากล่าวเราได้ครับที่เป็นประเด็นหลักไม่นจะต้องมีสมึดตรงนี้แต่มีสนุดตรงนี้ มีความเห็นจริงๆของตนเองแล้ว่า เ, ออเราเนี่ยมันมีอัตตามันถือดีถือตัวใครว่าใครกล่าวใครอิใครเตรียนไม่ได้อันนี้มันเป็นกิเลสสามันของมนุษย์ทั่วไปครับพราุทธจะาทนเห็นความจริงอันนี้มันเป็นอัตตามานะที่แบงร้ายมากตัวเนี้ยถ้าใครมีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่มีโอกาส หรือว่ามันยึดติดจริงมันก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ติดเกม ว, ว่ากล่าวอะไรต่อไหนได้เลย<ม>คนผู้นั้นก็จมอยู่ในความยึดถือรู้ตัวเองไม่มีทางรู้ตัวไม่มีทางยอมรับผู้อื่นที่จะมาติมาว่าตนก็จะยึดมั่นถึงมั่นไปอีกนานเท่า น, านั้นตายเลยคนนี้ก็อีกเมื่อไหรก็จมอยู่อย่างนั้นมาตลอดชะลาน เพราะฉะนั้นปะเด็นหลักที่ศาสนาพุทธเนี่ยรู้จักอัตตาความเป็นตัวตนความเป็นมานาความืดีถือตัวพวกเนี้ยศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่ชัดเจนรู้ดีในเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้รรายมากถ้จาจะเาปรีเดนนี้มามาใช้กับศาสนาพุทธถามว่าจะมีศาสนาเดียวหรือเปล่าน่าจระจริงครับน่าจะจริง น่าจะมีศาสนาเดียวที่เห็นความสาคัญในจุดนี้นัพรกเจ้าจะมีนความสำคัญจุดนี้ยิ่งใหญ่จึงจะต้งเป็นวิหัยเป็นวิธีการให้นักบวชของท่านใ ส, สังเนียสังวรสำลึกในเรื่องนี้ได้ให้จริงถ้าจิตไม่จริงรอปกมาประวรอนานอยัางอาตมากล้าพูดได้ว่า ประเดก็คือต้องเริ่มต้นจากจากตัวของอตัวเราเองก่อนใ น, ในการพร้อมในการที่จะยอมรับอย่างนั้นก็คือบริสุทธิ์ใจของตัวเราเองก่อนตัวเราเองเนี่ยอาจะต้องสํานึกเมื่อสํานึกแล้วก็ถึงจะเป็นคนไปซึมเหนียบสำ น, นึกตัวเองเอออันนี้ตรงนี้สําคัญเนาะตรงนี้สำคัญเนาะคนนั้นก็จะสํานีกะเขาจะเตรียมตัวแล้วก็จะ สงวรตนสมบูรณ์เนี่ยสงวนตนสกุลเตรียมตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเผิดว่ารู้แล้วว่าเป็นเร็นของการปรณาคือการจะต้องรู้ตัวเองและต้องยอมตัวเองให้ใครตระหนี่ติดเตียนว่ากล่าวได้แล้วเราก็เอาประโยชน์จากาการตระหนี่ติดเตียนนั้นมาศรรึกษามาตรวจสอบมาใช้เรียนรู้ในตนเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างที่เขาตระนติดเตียนหรือไม่ ถ้าเป็นจริงตัวอย่างที่เขาทำนิติเกณนั้นถูกต้องเราก็จะได้เป็นผู้เจริรูวว้ามสามารถจะรู้ขวข้าเกที่ต้องเราก็จะไกขกรัทุ่งไม่ฉะนั้นเราจะร้องจมอย่างนั้นเพราะา ถ, าถ้าถือดีถือตัวใครว่าครทำิติเกไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์เลยที่จะรู้ตัวเองได้น่เพราะเราเองมัน ตรงอย่างในความยึดมั่นคือมั่นอยู่แล้วคือดีต่อตัวอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เพราะงั้นก็เมื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดที่เขามองเขาอ่านเขาเห็นซึ่งคนอื่นเขามีภูมิปัญญาแม้ไม่มีภูมิปัญญาก็สามารถเห็นได้นาะมากบางน้อยบางเล็กบางมันเล็กบ า, าก็าแล้วแต่เขาจะเห็นได้ะเขาจะเห็นพิเศษดูกรตามเราจะได้ประโยชน์จากการตำหนิติเตียน เสมอเขาจะมีผิดเราก็ได้ตรวจสอบถ้าเราไม่ไม่ยิงพยองเกินไปถ้าเขาต้องมีทูเราก็ได้ตรวจสอบตรวจสอบตรงนั้นแหละเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็จะได้รู้ตัวดูตัว<ม>นะพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้จักตัวตนอ่านตัวตนเรียนตัวตนแก้ไขตัวตนปรับปรุงตัวตนจับกำจับตัวตนแบีอ๋อซีไซส์ศ า, าสน า, าพุทธจักตัวตนด้วย เป็นหลักเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะฉ่าั้นถเผอว่าไม่เรียนรู้การที่จะวาตัวตนเราไม่รู้ไอ้ตัวตนนี่แหละเป็นเรื่องรายของสังคมโลกทั้งโลกเลยมนุษย์ทั้งมนุษย์ทุกชาติทุกมนุษย์เลยมันทือดีทื่อตัวจริงๆแม้แต่คนกระจอกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนกระทั่งจนกระทั่งไม่เย็งสาจนกระทั้งคนโง่ๆท่านทือดีทือตัวทั้งนั้นท่านทื่ดีทือตัวทั้งนั้น ยิ่งฉลายิ่งพยองยิ่งหลงตัว้องตัวยิ่งยึดถือใช่ไหายิ่งฉลาดยิ่งเก่งยิ่งมันยิ่งพยองยิ่งอวดยิ่งมันไม่ยอมใครเลยไม่ใช่มีอวดสาไม่ยอมใครเลยเพราะมันฉลาดมันรู้ตัวมันมันมันมันแก้ไขไม่ได้นะกาะทําว่าอัตตาอัตยูดีดตัวทุมาณอัตยูดีตัวคนเองนี่แหละจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างสมาเพราะงั้น ถ้าถามว่าประเด็นแรกว่าจะเป็นศาสนาเดียวหรือเปล่าเนี่ยประเด็นนี้ก็ต้องถามนอ้องอาตมาว่าโมทิตาไปเจรอมาดูแล้วเห็นว่าจริงนะครับน่าจะจริงในศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้อย่างมากจนกระตร้งพระเจ้าเอามาไว้ใช้ในธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์หลั ก, ก, กพุทธจะมานักเรียนนักบวชของพุทธ จะต้องถือเป็นหลักเกณฑ์เลยว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเตือนกันมาเจอกันปีหนึ่งเข้พาพรรษาร่วมกันแล้วคพอจะออกพรรษาแล้ว ไ, ไปจากกันไปแล้วจะต้องสำ ท, ส ำ, ทสำทับเรื่องนี้ว่าต้องพยายามรู้ตัวเลยพยายามยอมตัวเองนะภวรณาคือการยอมตัวเองหาคำวิเศษเสมอเลย ว, ว่าเราต้องยอมให้ใครจะติดเตียนได้ได เราได้ประโยชน์ขึ้นต้องลองปลุกประโยชน์ผิดก็ดประโยชน์เราได้ประโยชน์เรได้ตรวจสอบตัวเองเราพิชิตตัวถ้าเราพิชตัวเจะไปตรวจสอบทำไมครับฉันบอกว่าเขาตอบโจทย์ฉากให้เลยสุดขดฉันไม่ฟังเสียเลไม่ฟังหรอกเพราะเรื่องนี้ก็ไปไม่รอดไปไม่รอดเลยแล้วเขาจะทำมัไม่มีประเด็นในการศึกษาแล้วก็ไารปฏิบัติจริงก็จะแก้ไขอัตรามไม่ได้เพราะฉะนั้น าศาสนาที่ไม่มีนี่จึงยากที่จะร่างต่าจะรวดตตาครับถือเป็นประชาธิปไตยเป็นหลักประชาธิปไตยที่สําคัญในความเสมอภาภักดีันนั้นถูกต้องสิ้เลยการลดตัวตนขึ้นไปแล้วไม่มีเธถือดีถือตัวนี่แหละเป็นตัวผู้ที่จะเป็นยอดแห่งนักประชาธิปไตยความเท่าเทียมใช่คนที่ไม่ถือตัวถือดีถือตนนี่แหละเป็นยอดแห่งนักประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยครับน่ะ เพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ในประเด็นปรโตรโขโคสกับโยนิโสมนัสิการ์สองคำนี้ยิ่งใหญ่ดังให่ครับปรโตรโขโคสกับโยนิโสมนัสิการนี์เป็นสองคำที่ยิ่งใหญ่มากครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในศาสนาพุทธก็ยังมีดีอยู่แต่เรียนกันอยู่ที่ซัาไปแต่ไม่ค่อยจะเอาฐานหนึ่งสองไปให้ความหมาย มันเป็นเพียไปอีกด้วยนเช่นชไปให้ความหมายของคำว่าไม่ฟังผู้อื่นปร์โตโคสั์ไม่ฟังอื่นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่ฟังผู้อื่นเลยมันหมายความว่าต้องรับคำคาพูดหรือคำจากของคนอื่นเนี่ยมาพิจารณาจริงจริงไม่ใช่ว่าฟังแต่ฟังไปแล้วนะ บอกว่าไม่นี่ไม่ฟังโพชิระสอนบ้างเลยเหรือบรรดาบ้ญญางเลยฟังแต่ฟังอยา่างอ่านน้องครัวเปียบ <Okay. S 1> อาจมาเฉยเสมอแบานั้นก็ฟังมาผ่นานหูแต่ไม่ได้าอบเป็นในหูไม่ได้เข้าใจอะไรหรอก ไ, ไ, ไม่ได้รับ ส, สารไม่ได้ครับสั่งรับรับคิดรับที่จะมาตามอย่างใจเป็นกลางอย่างใจไม่อคติอะไรไม่เลยฟังอยาอ่างอคติกทต่องดีไดีฟังจัดผิดด้วยครับฟังแตฟังอะไรฟังผิด จับผิดจริงๆเลยไม่เพ mm ียงในทางถุงทางนี้ทางอะไรจับผิดผิดผิดผิดตัวเองรู้แทร์ตัวรู้เดี๋ยวมาไวไววัดฟัดัดัดเอาความรู้แต่วัดฟัดฟัดฟัดผิดใจตัวเองรู้สับไม่ได้รู้เอดอะไรมาถูกมันควรไม่ได้ถอดตนเองถูกถอดตัวถอตนเราเลยเพราะฉะนั้นการฟังทุกอื่นประตูภาษาเนีจึงต้องมีนัยยะที่รึ้สึกว่าฟังเลยต้องฟังเลยจะถึงกลาง ต้องฟังด้วยใจถอดตัวถอดตนและก็เอามาตรวจสอบความจริงศึกษาพิจารณาความจริงอย่างจริงที่จะเกิดประโยชน์ในการฟังเร ต, ตัวคุศลฟังผู้อื่นเพราะนการฟังผู้อื่นฟังไหมศึกษาไหมศึกษาอ่านฟังแต่มันไม่ลึกซึ้งไม่ได้ถอดตัวตนจริงไม่ได้มีวิธีการที่จะศึกษาอะไรตัวคุศลให้เข้าไปถึงประโยชน์ที่จะมีประโยชน์ต่อแย้จริง ยิ่งโยนิโสมนัสิการแล้วครนี่ไปใหญ่เลยเพราะท่านแปลกันท่านอธิบายกันสอนถ่ า, ถายทอดกันมาว่าคลิกพิจารณาเท่านั้นครับคําว่าโยนิโสมนัสิการ์ในทั้งสองคำโยนิโสมคํานึ่งคำมณัสิการ์คำหนึ่ง ค, คำงคท่านแปลในะท่านแปลเอาความหมายจากโยนิโส ทำเดียวหรือซ้บมนสิการ์ึิ้งโยนทิ้งเลยถ้าไม่แตยโยนิโสมนสิกการครบเขาบอกมนสิกการไหมคราบว่าการทาใจในใจครับเข้าปฏิบัติใจในใจนะและปฏิบัติใจในใจอย่างไรปฏิบัติ<น>ใจในใจอย่างโยนิโสมปฏิบัติใจในใจอย่างโยนิโสม ยังฉน่าจะแปลกันอยู่ว่าโยนิโสแปลว่าทงแทบแปลว่าแยบทายหรือรากแทรรากสั์มันเลยว่าแปลว่าลงไปถึงที่เกิดใช่ครับโยนิโสเนี่ยต้องยังรู้ลงไปถึงที่เกิดเลยนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเนื้อแกลนแทเลยครั บ, รบอ่าเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ทำใจในใจของตนเองจับ ตรงใจอาการตรงใจมณนนิกกาเนี่ยเป็นแดนที่เกิดที่ตายครับเป็นแดนที่เกิดที่ตายเป็นแดนของพฤติกรรมของจิตครับ<ม>น ะ, ะมณนศิกษาเนี่ยต้องรู้แดนที่ป็พฤติกรรมของจิตมนันนักศิตใจใจอยู่ตรงไหนอาการใจให้ถูกอาการใจมันเกิดเมือ่อใดเมื่อไรจะมีการสัมผัสแล้วมันเกิดอาการที่ใจจับอาการที่ใจให้ได้ ดับอาการที่ใจมันเกิดอาการเคลื่อนไหวไม่รู้ถ้ามันนิ่งๆเนี่ยมันรู้ยากใจสงบมันก็นิ่งมันก็ตั้งทำให้มันนิ่งมันก็รู้ง่ายถ้ามันจะตบสะบัดเอาใจอยู่นี่แล้วก็จะรู้อาการนิ่งของจิตมันรู้ยากครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไปนั่งมันนิ่งๆรู้จิตสงบความันจะเป็นยากอะไรเลยเขาไปนั่งมันรู้จิตสงบครับคิด่จุดๆแล้วก็ นั่งมันนิ่งก็ไม่รู้ตอนมันไม่นิ่ ง, งมันก็รู้ได้สิแต่ตอมนมันนอนคนๆๆๆมันนิ่งๆมันก็รู้ได้ไม่ไหวแต่คนไม่ไหวนี่แหละรู้อาการนิ่งรู้อาการหยุดรู้อาการว่างรู้อาการไม่มีตัวอะไรผสมที่เป็นสังขารที่ป ร, ปรุงแต่งกันดูตัวที่มันไม่ปรุงแต่งคือตัวอะไรเนี่ยมันเป็นของยากครับแต่ยากก็เป็นของที่จริงทีชับที่สุดนะ เป็นการปฏิบัติที่เป็นวิธีการของขุนช่าที่ลึกซึ้งมากสรุปแล้วมณัสถิการจะต้องทําใจในใจเป็นปัตมาแปลอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าภาษาไทยง่ายๆถ้าคุณทําใจในใจไม่เป็นทําคื อ, อยังไงก็ใจเนี่ยมันปรุงแต่กันมันจัดการกันมันสังเคราะห์กันสําขารกั่มันไปก็ดีรูปตัวเต็ง<ช>อะไรก<ช>็แล้วแต่อยู่ในใจเนี่ยคุณก็ต้องจัดการกับมันให้หยุดก่อน จะรู้ซิว่าอะไรคืออะไรใครผิดใครถูกใครดีคุณต้องแยกแยกคุณต้องวิจัยใจคุณออกเลยครับเขาเลยเอาความหมายมใช้วิจัยใจเนี่ยแต่ไม่ถึงการวิจัยท่อนั้นให้พิจารณาและพิจารณาไม่ถึงอาการใจไปพิจารณาแค่ความคิดอืถูกครับชวนมากพิจารณาแค่ความฟ<ค>ังกันว่าคิดแค่ความคิด้า เพราะแค่ฝังคีคงโรริโซมนติสาใจริงอยู่ที่ตืต่นแค่ควา ม, ค, วามคิดมันไม่ลงอย่างไปถึงอาการใจครับและเราไ ป, ปเปลี่ยนแปลงอาการของใจครับให้มันถ่องแท้มันแยกคลายให้มันไปลงที่เกิดถึงสัมภวะลงที่เกิดแด น, นเกิดที่สัมภวะลงที่ใจเนี่ยหรือเพราะเพราะว่าเพราแดนของที่เกิดเลยครับเราไปยังเนื้อแท้ของใจเลย แล้วก็ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงในื้องท้หัวใจเลยนี่คือการทําโยนิโสมนัสิการผมถามต่อว่านั่นก็คือการต้องมอกให้เห็นถึงหลักปฏิกิสมุทบาทเลยจนไปถึงจุ่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนรู้จักปฏิกิสมุทบาทเลยรู้ตั้งแต่สังขารที่ท่านแยกหรือแต่ศาสตร์มันเกิดตับเป็นมาเลยศาสตร์มัเกิดมามันเป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันไปองรัวองครัวนะมันคงกลับ สัพพะแต่งต้มันเกิดปั๊บหนึ่มันเป็นองรวมโดยเอาวิชามันเป็นวิญญาณวราะวิญญาณนี่คืออาคารสังขารของมันครับมันเป็นอาคารสังขารนะสังขารกับวิญญาณเป็นปัจจัยแข่กันเลยกันวิญญาณตั๊บชนตุ้งต๊บเลยเประสังขามก็ไอ้สังขานี่แหละคือวิญญาณวิญญาณนี่แหละคือสังขารครับมันเป็นปัจจัยคู่คู่คู่คู่ตนจับเอาวิชาปัะสาทก่อนเพราะคุณเอาวิชาคุณไม่รู้ไม่เรียนเลยคุณไม่ระ้จักสังขาร ไ่สังขาร ย, ยากไม่แค่กายสังขารจิตสังขารไม่จิตสังขารก็ต้องรู้สังขารอาการสามเนี่ยกายคื อ, อย่งไรจิตคื อ, อยงไรมรรคคื อ, อย่งไรใาเจงแล้วต้องให้รู้ให้เรียนรู้กายสังขารเนี่ยโดยการรู้ความเป็นกายคำเป็นคำว่ากายก็เพี้ยนตัวเนี่ย นะะอาตมาพูดไปแล้ว น, ะนจะเยอะเรือ่องัแลนะเนี่ยตัวประเด็นที่2ยังไม่รู้เลยว่าืออาตมาไม่รู้ประเด็นทะี่สอะไรเอาเดี๋ยวเราทวรสามประเด็นนี้จะค่อยๆลงลึกีปประเด็นที่1นะ่ตอบ <c oughs> นะไปแล้ว คงจจริงนะว่ามันมีแต่เฉพาะเจ้าของไทยเขพาะของพุทธของพุทธทั้องแล้วก็เป็นหลักประชาธิปไตยใ่ครับสองก็คือการเตรียมสภาพสภาพเหมือนเมืที่พ่อเตรียมพูดเรื่องหน้าครับว่าการเตรียมสภาพเพราะมีการพูดหมีการพูดกันใช่ไหมครับมีการตัณฑ์ติดเตะกันเพราะนั้นก็ต้องต้องปรัโศาสตร์ถูกไหมครับและพอฟังพอฟังแล้วเนี่ยมันก็ต้องต้องไปทาโยนิโสมภายในให้ได้ต่อสิ่งที่เขามาตัณฑ์เพื่อ ผมทมตั้งปรเด็นมาเพื่อที่จะจะยกระดับจิตให้สูงขึ้นใช่นะอันนี้อันที่สองเนี่ยซึ่งอาตมารับที่บายต่อแล้วต้องจริงใจครับต้องสำนึกสัเนียครับว่าเรานี่ถือดีถือตัวไม่ได้เราต้องยอมให้คนตัณฑ์ติเตียนครับนะต้องต้องยอมให้คนตัหน์เพราะว่าคนมันถือดีถือตัวไม่ใครไม่ชอบกัาใครว่าติสิ่งที่ไม่ดีเราว่าสิ่งที่ไม่ดีเราเองเรามันไม่มีใครชอบเราเราเด็กิเลสามัน แบบในกิเลสสามัญเป็นอย่า ง, งานา้เราะฉะนั้นเราต้องไม่ได้เราจะขึ้นนึกป็นสามัญในนั้นไม่ได้วิสามัญเราจะต้องรู้เราจะต้องให้คนว่าได้อคนที่ถูกว่าได้แล้วก็รับคําว่ารับคำตำหมิรับคําด่าเอามาตรวจสอบแล้วมากแก้ไขกับปรปุงจริงคนนี้เป็นสุดยอดเจริญฉลาดที่สุดอืมครับฉลาดฉลาดที่สุดคนนี้เราเป็นคนที่จะเกิดการพัฒนาเกิดัาเรเรจริญแท้จริง เพราะยงจะซดีซื้อตัวอยู่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเอามาพิจารณาไม่ยอมตรวจสมมุตินะสมมุติว่าใครมาว่าเราตรหนิเราครับตรหนิแล้วเรามาตรวจสอบตัวเองจริงๆนะอย่างไม่มีอคติฤฤอะไรเลยพยายามที่สุดเป็นกลางตรวจสอบจริงแล้วก็สรุปได้ว่าตรวจสอบเอีเราไม่ได้ผิดอย่างเขาว่าเลยเขาดาว ดาวซีนี่ว่าแบบนี้ เ, เขาด่าเราโดยที่เราว่ามันไม่ถูกเลยที่เขาด่านี่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราไม่ได้ปิดอย่างเขาว่าเราไม่ได้ช่วยอย่างที่เว่าเลยครับแม้แต่นั้นก็ตอบก็ตรวจสอบแล้วว่าเออเขาด่าเราผิดเราก็ไม่ได้ชั่วอะไรครับเพราะเขาด่ามาผิดจริงๆแล้วไอ้ผิดไม่อยู่ที่เขาอมเพราะเขาไม่รู้เขามอง เขารู้ไม่พอเขารู้ไม่ถูกอะ่ะแล้วก็เขามาว่าผิดผิดเขาจะมาเป็นคนผิดเขาว่าผิดผิดเราไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้เสียอะไรเลยเราไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขาว่าเราตรวจสอบแล้วแล้วก็ทีๆๆ่ที่เขาไม่ดีที่เขาก็จบเราก็ต้องไม่ต้องไปจบเขาเพราะคนที่จะจบคนโง่อ คนคนง่อคนบ้าคนเมาครับนนี้อาการหนักกวคนง้คนบ้าคนเมาเนื่องจาก็คนง่อมันก็มันบ้าเขาคนบ้าคนเมาเขามันไปว่ามันได้ยังไงก็มันไม่เต็มไม่เต็มอ่ะง้อมันก็ไม่เต็มบ้ามันก็ไม่เต็มเมามันก็ไม่เต็มแล้วเราก็ไปว่าเขามันเต็มหรือเปล่าเราไปว่าเขาก็เต็มเราไม่เต็มยิ่งกว่าคนไม่เต็ม เราก็ยิ่งไม่เต็มเท่าคนไม่เต็มเพราะว่าคุณทำไมโง่ก็เป็ว่าทําไมกเขาเขาเขาไม่เต็ ม, มองง่ะเขาโง่ก็ไม่ไม่เต็มคุณฉลาดตัวเข า, ขาคุณจะว่าทำไมคนหน้าเห็นใจเขาสงสารเขาสิหรือคนบ้าเอกว่ามันก็ไม่ไม่เต็มยิ่งแน่ๆอีกแล้วหรือคนมามันก็ไม่เต็มอยู่แล้วอย่างนี้เป็นกรณี น, ญญนี้มีคําถามต่ออีกหนึงครับพ่อครูครับมันคนทั่วไปเนี่ย มันจะมีคําพูดว่าระหว่างเหตุผลกับข้อแก้ตัวเข้ามาตรงนี้เราเนี่ยผมเริ่มเข้าใจนะที่ครูสอนว่าให้เรามองตัวเราเองไม่ต้องไปมองเขาให้มองเราเองทีนเวลาไอ้มองเราเองนี่แหละครับอ่าเราเอาประโยชน์ให้ตีไปเอาประโยชน์ให้เอาประโยชน์ไว้ก่อนใช่เพราะมันส่วนใหญ่มันจะบอกมันจะมีเหตุผลว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือพูดเอาเข้าตัวเองไว้ก่อน ทั้งที่บางทีเขาต้องหนีมาลิืติมานะมันถขกอย่างที่เขาว่านะแต่เรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยใช้เหตุหนาปัญญาเทิบอยู่เนี่ยมักจะมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นข้อแก้ตัวอะไรไอ้ตรงนี้แหละครับอะไรจะเป็นเครื่องเตือนสติตัวเราเองว่าเฮ้ยอย่าพยายามเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยว่าเป็นเหตุผลเพื่อไปทําสู่กระบวนการาเป็นการแก้ตัวแม่อันนี้ในเมื่อตอบ เราตั้ทุกเรียนบาคนก็จะต้องหมดกิเลสตัวตนนั่น<ช>แหละถ้าคนไม่หมดกิเลสตัวตนเนี่ยตัวต น, น, นมันมีนะมันที่ไม่ยอมมันจะไปแก้ตัวบ<ม>างบางคนนี้ก็ต้องหมดความเป็นตัวตนมันที่จะไม่แก้ตัวคเ<ช>พราะมันไม่มีตัวมันเลยก็ไม่ต้องแก้อืแต่ถ้ามันยังมีตัวอยู่มากน้อยก็อยู่ที่คนต้องสมมติท้องนอนสํารวมมงคลต้าไม่สมุนไม่ช่างนอนคณก็ต้องช่างนอนสํารวมว่า จะคุณไปตอบโต้จะไตอบโต้ไม่ให้นายไปตอบต้ก็สังวรสำรวจต้องสังวรสํารวจไม่ก่อนเลยเท่านั้นขายทับเหลวก็คุณเทคนิคแต่คุณไม่มีตัวตนได้จริงนั่นแหละคุณจึงจะไม่ตอบโต้เขาเป็นต่ออย่างนี้เป็นต้นครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอ่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอสรุปแล้วในเรื่องของการไม่ยอมให้ตำหนิเนี่ย มันเป็นผลลายของการศึกษาเป็นผลลายของการพัฒนาชีวิตครับเป็นผลลายของความไม่เท่าเทั้งกลุมครับนะสำคัญมากเลยเรื่องนี้ครับนะเพราะอาตมายิ่งปฏิบัติธรรมมถึงขนาดนี้แล้วอาตมาเห็นผลและได้ประยู่จากที่การเวลาลอะไรมาจนจำทุกันนี้เข้าใจเรื่องตัวคนได้ได้ละตัวตนมาจนตัต้งเป็น เป็นตัวเองขนาดนี้แล้วเนี่ยจึงเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้เห็นคุณค่าและเห็นความสําคัญมากจนเรากกต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าว่ามั น, ม, นมันเป็นความสําคัญโดยกระทั่งคุณถามอมาจารยมั่นใจเลยนะว่าไม่มีวิไม่มีศาสนา <Okay. S 2> ที่จะเอาจริงเอาจําอย่างนั้นหรอกรเอาจริงเอาจังจดยกระทั่าจะให้อ่า สงจะต้องทําเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมวินัยเลยครับจะต้องมีภารณากันอาตมาเห็นความสำคัญนี้จึงเอามาทำกันจริงๆครับทํากันให้เป็นจิตยลักษณะครับนะมันไม่ใช่แต่ครั้งที่จะต้องทําปีหนึ่งก็ออกพรรษ า, ลาแล้วก็กําหนดทำในครั้งนั้นครั้งเดียวมันไม่พ อ, อเพราะฉะ น, นั้นอาตมาจึงเอามาจัดงาน มหาปวารณาใช้คำว่ามหาเลยยิ่งใหญ่เลยใช้คำว่ามหาปรวรณาเลยเพราะมัเป็นความสําคัญยิ่งเมื่อทำก็ต้องให้เกิดผลให้เกิดจุดใจเพราะพราะอะไรเพราะเราจบอกปิสุบอกสมณะของพวกเราให้ปฏิบัติให้เรียนรู้แล้วก็ปิดโสดเลยว่ากันนะติดเรียนกันนะเอาใครมีข้อทุกเถียนจะทั้งมาในใจเท่าไหร่เห็นข้อมูลหลักฐานต่างๆนี้เท่าไหร่ เหตุคนจะว่าเป็นกล่ากันกันตอนนี้ก็ทุกคนก็เข้าใจทุกคนก็ตั้งใจว่าอะไรว่านะเพราะว่าเราก็ทํากิจอะไรจนจะตั้งทำมาเจ้านี่ทุกปีเราต้องทําครับำทุกปีเราก็ต้องทํำไปทำระยับไปกิจการศาสนามาเลยพร้อมหน้าไม่จำมานั่งแต่สวดภาวนากัดสวดไปกี่ประโยชน์ภาษาบาลีได้ไม่เคยรู้เรื่องทำเสร็จแล้วอ่าภาวนาเสร็จแล้วก็จบครับ มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราเอามาเรียนรู้คันจริงมาทําประตูชันจริงว่าคันจริงนอกจากจะว่าเป็นภาษาบัาดีกันว่าไปแล้วภาษาไทยเราก็ว่ากันจริงๆเลยเอ้าเรื่องอะไรติดเรื่องอะไรติจริงๆเลยติดกันเลยโกรธให้รู้ว่าโกรธไม่โกรธใหรู้มไม่โกรธแล้วจะอยู่์ให้รู้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นั้นมรู้ตกใจเราทํากันจริงๆเพื่อยกระดับจิตภาวะของชาติดีขึ้นใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อ บทที่คุณถามเป็นประเด็นที่สองที่สอต่อเป็นช่วงขั้นวัตถุขั้นว่าเพราะข่าวว่าหรือใครอื่นๆไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วมันจะได้หร <ST IT> <ๆ>ือได้เมื่อสมณนะก็ ร, รู้จากความสําคัญอันนี้ครับแการทำมันนี้แก่กันเลยกันมันจะออกม า, สาแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นประโยชน์แม้เราจะไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีข้อของขับไม่มีข้อปฏิบัติซึ่งหรับข่าวว่าครับเราก็บอกเขาได้เราก็ให้เขาทําได้ เพราะฉะนั้นบางทีท่านจะสอนกันท่านจะบอกให้ใคว่าทำกันเพราะเราทำกันพยายามแ ก, แกให้มีการบระวัตให้มีการยอมตนในกางให้ถูกว่าอะไรตัวบรรยายบอกกล่าวตักเตือนให้สํารวมสังสวรอย่างนี้อย่างนี้เราทำกันอย่งางนี้วงการของเราแท้ๆครับครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เห็นว่าความเป็นอยู่แบบหมู่ มู่คณะความเป็นอยูอย่อย่างความเป็นไปในในวิถีตรงนี้เหมือนอย่างวานี้ผมก็ทราบว่ามีอาจารย์ท่านมาสัมผัสประเด็นเพื่อไปทําการศึกษาเรื่องวิถีตามแนวคิดบูรียงภาษาหนะ้าโขขีของชุมชนปุมประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบสังคม อ, อุดมคติคือผมขีดเ้นใต้ว่าสังคม อ, อุดมคติเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นผมต้องยกหลักการประวัติศาสตร์ ถ้าเกิดสิ่งนี้ได้มันจะกลายเป็นสังคมอุดมคติขึ้นมาได้จริงในสังคมอุดมคติการติดเตียนกันได้ความสงบ ก, ก็เกิดแล้วครับพระพุทธเจา้าท่านจึงว่าการติดเตดียนนี่สําคัญมากจนกระทั่งอัตมาว่านิพนนี้นิฆาระหังการตมิตดิเตดียนต้องทำและธรรมาท่านก็สังเกตว่าท่านเอาขึ้นต้นนะครับไม่ใช่เอ า, เอาปักกนี แต่การยกย่องว่าขึ้นตน น, นี่ก็เน้แไปว่าคารตำาหนิงอขาขึ้นตนเลยนะครั บ, รบนอกจากคารตำาหน่งติดเตียนี่ในอื่นๆที่พระพุทธเจ้าท่านสัา น, านทนิที่ทุจ้มมาตัวิจิตเมาแล้วมาทนมแปลนิคขันหาเนี่ยตำหนิที่ว่ากระนาม เราจะขนาบเธอแล้วเราจะขนาบเธออีกเหมือนช่างปันหมอที่กำลงปันหมออยู่ในดินเหนียวถึงดินเหนียวก็ยัะยังไม่แขยังไม่แข็งตั ว, ตวอะไรเป็ตนต่างต่างเนี่ยทำนิดเป็นต้นจะขนาบแลกระหนา บ, นาบนาจติตละติอีกนะซึ่งเป็นเรื่องที่สัาคันธ์แม้ในคําว่าโดยเยาวัฒจะักอจะมาเคยหยิบมายืนยันมอธิบายครับ การตำแหนนี้จริงมันคนมีอัตตามันไม่ค่อยยอมรับง่ายแต่ถ้าผู้ใดสามารถตําหนนได้เก่งคนนั้นจะเป็นยอดปิยะวาจาคนนั้นเป็นยอดปิยะวาจาเป็นคนที่มีภาษาที่คําพูดที่เป็นที่น่ารักครับคนตําหนิคนให้คนดื่มได้เป็นยาเรลของคนดื่มวาจาเนี่ก็คือคำำําตําหนนก็คือใบปลดเดียวกันแต่นิครับ คำตำหนิเพราะคําตําหนิคนใครใครตำหนิใครได้หรือใครจะจะสร้างอ่านพูดคําตําหนิกันทั่วไปไม่ได้แล้วคําตําหนินี้คนรับได้หนึ่งได้รับได้ อ, อันนี้เลยสุดยอดปิยวาจาบางทีคนจะเข้าใจความหมายว่าไอ้คําที่เป็นปิยวาจาคาที่น่ารับ ก็ไปพูดแต่ว่าคาสุภาพคําอ่อนหวา น, วานคํำชมเชยครับําไม่ไปกระทบกระเทือนใครคือคำปิยาวาจาผิดหมดเลยครับเพราะชัดๆดูแล้วว่าท่านขยายความอธิบายว่าปิยวนะาี่คือปิยวาจาแต่ทีนี้เขาตีความผิดปิยวาจาคือการปนนียมเป็นของคนรดื่มเลยก็เป็นเรื่องสัจจะที่ลึกซึ้งกิติงาเอามาขยายความไม่ได้ เ ข, า, ขาเคยไปแปลแต่คำพยัญชนะวพิยวาจาเป็นคำที่น่ารักอันเป็นที่รักเป็นาาคำพูดที่อันเป็นที่รักภาษาคำพูดอันเป็นที่รักพิยวาจาแล้วเขาเอาคำภาสาบาลีมาทําความเข้าใจว่าออพิยวาจาภาษาที่น่ารักคําพูดที่น่ารักมันก็แค่ ไม่กระทบกระเทือนสัตว์ตกระแทกไม่ทำให้ใช้รู้สึกไม่ชอบใจเมื่อไม่ชอบใจผู้ที่ชอบใจก็เป็ออนผ<ส>ู้คําชมที่คำอ่อนหวานที่ําไปเราะคำปร้ปรโลมที่มาเกออี่ยวปอดปั้าก็เลยไปเข้าใจและก็ใช้กันอยู่แต่แก้ปริยญาวาจาเพราะยันในสังขารวถุก็ปริญญาวจชานี้จึงไม่เปิดประโยชน์เการตําหนิที่ความบริสุทธิ์ใจ เือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้เกิดการพัฒนาองค์จิตยิ่งขึ้นเนี่ยคือปอยาาา่างอาจารย์ตอนปมิตรเตียนนี้เกิดการเจริญเกิดการเจริญสังคมใดที่มีการปมิตรเตียนมีการบอกกล่าวว่ากล่าวกันจริงจรนะและลงโทษลงทันกันได้ตามเหมาะตามคนจริงจริงนะสังคมนั้นเจริญเพราะฉะยัางอาตมาก็ยื่อ ย, ยูจ่จารมาแต่นในแต่ไรแล้วว่าอาตมาเนี่ย ต้องเป็นผู้ทุหนี้ทำหนี้จริงๆอัตมายืนยนว่าศาสนาผู้เป็นศาสนาตรงนี้ครับไม่ใช่ศาสนาที่จะไปพูดยกยอปอบพันปลอบประโมซึ่งเป็นศาสนาที่ปฏิบัติยากทำหนี้คนนี้เป็นเรื่องยากและทำหนีให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้ได้จริงๆเป็นป เ, รเรื่องยากกว่านั้นครับแต่ยากก็ต้องทำบ้างในสัปดาห มันเป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นสิ่งที่เป็ครัจนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และการได้สุบเรือการได้อบรมฝึกฝนมาจนกระทั่งมีวรยุทธในเรื่องของการตระหนี่ได้เนี่ยนี่แหละก็คือจอมยุทธของบุคคลเจ้าวันนทําให้ทําให้ผมผมได้เรียนรู้และพัฒนาในความตป็ตัวตนของตัวเอง คืงบางครั้งเนี่ยอารมณ์อาการเวลาใครมนุษย์ชอบเป็นอย่างี้ครับสังค ม, มทั่วไปพอป่อครูครับ เ, เธอช่วยบอกเราหน่อยบอกผมไนว่ามาเลยไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> มาเถอห <c oughs> น้าเออบอกมาหน้าเราเป็นไรนะ <c oughs> อย่างเงี้ยแต่พูเวลาเขาพูดมาใสาต่ตุ่มตุ่มเราของขึ้น <c oughs> แต่อยากให้เขาบอกให้ตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างเออเราทําแล้วเป็นยังไงบ้างเออผมมาจากรายการเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยบอกมาหน่อยเออเป็นยังไงอะไรบอกมาของคือของคือถ้าบอกดีตกขึ้นเีงครับกิเลสมันขึ้นเลครับจะแมเพ่าบอกว่าเออดีมาจากรายการดูดีกิเลสก็ขึ้นมีความรู้สึกว่าโอ้โหอาหารกลางมังการขึ้นมาอีกพ่อบอกไม่ดีโอ้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ภาษาก็ขอก็ขึ้นอีกเกิดอาการโม โมสไอ้ om, อ om, โศสะมันเิดดีเหมืมอนกันครับ <ooh. S 1> มันมันก็จะวนกันอยู่เอ่อนี่ครับไม่โศสะก็โมหะไปยูเยชครับใช่เพราะั้นคว <im it> ามจริงอันนี้มันจะศจกขาของอัตตาคือดีคือตัวมานะคือดีถือตัวเนี่ยมันมีจริ ง, รงคริงนะมันมีจริงๆรแล้วก็ต้องวางมันจรงจริ้างไม่ได้จริงๆริแล้วศาสนาพุทธเนี่ยอัตตาตรงอัตตามาเนี่ยสุดนะสุดยอดสุด สุดร้ายสุดร้ายสุดไม่เจริญจริ ง, รงๆเลยนะพราะาพุทพัจ้าพรูุ้ักอัตาตัว น, นี้ล้วกะแก้ไขประสุบนจริงๆแล้วมันจะสุขมันจะสบายนะคนที่มันมีการคนเราเนี่ยเข้าตรรนิกได้ครับและก็ทนความตรรนิกได้เนี่ยมันมีสองอย่าง กา้ทนความตรงหนีได้โดยการศึกษาแล้วก็หัดให้ทัดทนให้ทัดทนต่อการตรงนีครับก็<ม>กดขมกิเลสตัวที่มันจะดีดีที่ตัวนี้กดคมนะแค่กดคมเ<ม><ม>ขาก็ทำไนดะ้ก็คมได้กดขมได้<ม>แต่การกดขมนี้จะไม่เกิดพมวิจัย จะไม่เกิดการพิเจเรนาแก้ไขจะไม่ได้เกิดการรับมาวิเคราะห์วิ จ, จัยจนเองอะไรๆต่างๆนานาครับจริงจะไม่ไม่จริงเลยจะไม่รับมาอย่างนั้นจริงเลยมันจะ เ, เราไม่ขึ้นเราไม่โกรธเราไม่มีอาการอะไรเราจนิ่งนิ่งได้เบาใจสบายใจอยู่ว่างอยู่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ร้อนใจอะไรขึ้นมาเฉย แต่คุณจะไม่กล้าชิดต่อคุณจะไม่กล้าวิจัยคําตำหนิของเขาว่าเอออะไรยังไงยังไงลึกซึ้งต่ํายาบแรงบางงวดยังงี้อะไรคุณจะไม่มแรงยังไงคุณก็จะรับกล้ารับถ้ามันแรงคุณยิ่งจะไม่กล้าปล่อยจิตให้มันไปรับมาเลย hey, oh, uh. ตีออกแล้วคนจริงจริงจะต้องลงพยายามทิ้งไ ว, ไว้ <Yeah. S 2> แค่ที่จะโอ้โหเขาตีมาแรงๆเลยดิ้บรับมาเต็มเต็มโอ้โหหยาบไหม อะไรอะไรต่างๆม า, าคุณก็จะเอามาทำเอามาศึกษาเอามาวิเครวิจัยนะเพราะงั้นผู้ใดที่ไม่เกิดอาการโกรธได้แล้วเข้าใจเข้าใจมันจะมีปัญญาคนที่เข้าใจคนที่ละตัวตนแตตัว ต, ว ต, ว ต, วตวนัันมืดนะมันทำให้เมืดในบ่อนให้ง่วกมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนไม่มีแล้วเนี่ยรับมาก็รู้เข้าใจใต่างเหตุผลอะไรอะไรดีไม่ดี มันจะนอกจากจะมันจะกระจ่างรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรมันจะรู้ความจริงว่าทําไมแม้จะตัวเข้ามาว่าเราบัติเรามาอะไเรามันจะเข้าใจซอนไปจนเรตั้งถงเห็นว่า<ม>อ๋อหนึ่งเขาติเราเข้าว่าเราเนเพราะครับหนึ่งเ<ๆ>ขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเนี่ยผิดหรถูกดีหรือไม่ดี<ม>แท้จริงรแม้เราจะดีจริงๆริงเขาก็ไม่รู้ครับเขาจึงว่าเขาจึงติดแน่นอน สองในตัวเขาเองเขาไม่มีภูมิครับัวเขาเองเขาไม่มีภูมิครับเข า, า, นะาก็ต้องตีเรานะเขาก็ต้องตีเราสามเขามีภูมิรู้แล้วเขาก็รู้ว่าเราดิจากที่เขารู้แหละครับจะถูกปิดแล้วแต่จากที่เขารู้แหละแต่เขาเจตนาดีครับมีเมนะ่ตาอเขาปริติเพื่อที่จะให้เราแก้ไขปรับปรุงให้เขาให้เรารู้ตัว เพราะงั้นคนติดเรามาเนี่ยนึกติดก็โกรธติดก็ไม่ไม่สนใจมันก็ไปหนีก็ไปสารมันของคนทั่ชนทั้งหลายยไม่ชอบใจชอบติดด้วยไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้ความจริงับไมเอยรู้ความจริงเติดโทษประเด็นเกี่ยวกับขาเขาก็ติดมันก็ไม่รู้ความจริงสารติดด้วยเมตดตาอลยสารติดด้วยเมตดตาเล เพราะฉะนั้นเราพยายามมองคนเขาติเนี่ยให้เห็นว่าเขาติเราเรื่องนตาดีที่สุเราจะได้ประโยชนและเราจะได้รับที่เขาติมันเต็มๆเอามาใช้พิจารณาเราเราจะมี้เกิดผลเกิดประโยชน์อืมครับเราพยายามมองข้อนี้ไว้ใช่มองข้อนี้ได้ว่าเอาตัใครเขาจะติมาด้วยความโกรธความเคืองความไม่ชอบใจอะไรก็ตามใจเราทําใจเราเขาปรับตัาดีและเขามีตาเขาต้องการให้เรารู้ตัว เราก็รับมาว่าเขาอะไรเอาเนื้อหาเนี่ยมาพิจารณามาตรวจสอบความจริงของตนเองให้ได้ครับได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์จะถ่ายเดียวแล้วเราไม่ทุกเด็กครับไม่ทุกเลยไม่ร้อนใจเด็กเพราะมันมีข้อตกลงเกียงกับเรื่อวามมีหลายๆอย่าี่ผมต้องเข้าไปวิพากษ์หลายๆเรื่องนั้นเวลามีปรัชโตโพสารเนี่ยก็คือเราใช้ว่ามีการส่งสารเวลาส่งสารมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าสารนั้นเนี่ยผู้ส่งเนี่ยเป็นเช่นไร ต่อเขาควรในการในการส่งสารเหมือนพี่พ่ออธิบายเรียบร้อยแล้วแต่เราในฐานะผู้รับสารเมื่อรับแล้วเนี่ยเราควรจะมองสารนั้นเนี่ยมองด้วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใจมองด้วยถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันกระทบความรู้สึกของเราเนี่ยเราควรจะต้องมองอย่างนั้นเพื่อเพื่อที่เอามาพิจารณาตัวเองให้แก้ไขมากยิ่งขึ้นเรื่องความรู้สึกเรารู้ความรู้สึกเราก็รูุ้นะว่าถ้าเราความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบครับเราก็ผิดแล้วเราก็ผิดนอ่ายิ่งเรา รู้ความรู้สึกด้วยนั่นแหละเราวิจัยสาระเนื้อหานาโนไปอีกเพื่อว่าเออเราติดเรือถุอีกเราจะรด้ประโยชน์สูงขึ้นไปอีกครับรู้ตัวว่าเราไม่ชอบหรือไม่ชอบความผิดอยู่แล้วก็คือจับอารมณ์และอาการตัวเองให้ได้หลังจากที่ปรโตโคสารมันถูกมาหาเราสารถูกส่งแล้วเรามีการรับขึ้นมาจริงๆเพราะว่าพระครูมักจะพูดอยู่เสมอว่าให้ลูกๆทั้งหลายนะครับรู้เสกลูกหาเนี่ยมันตรวจสอบตนเอง ใช่ไหมครับอไอตรงนี้แหละครับผมจึงจะเชื่อมโยงว่าในบทบาทของคารวาสเนี่ยก็ควรจะต้องใช้หลักตรงเนี้แนวทาง ต, าาต้องว่ามาตรวจสอบตัว่าบคาราวาส เ, เราไม่ได้เด็กๆเนี่ยเราเขให้มาฟังให้มาเรียนรู้ให้มาปฏิบัติ yup ตรปฏิบัติถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ครับถ้ายิ่งเด็กก็ไ ด, ด้จะตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้ยิงวีเสร็จโตไปก็ค่อยได้ระโยชหนุ่มก็แค่หนึ่งผมสังเกตดูว่าผมเพิ่งได้คิดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลายๆท่าน ผู้บวชทั้งนั้นแหละครับบรรพชิตที่มีทั้งนั้นเนี่ยเขาเ่องที่จะ น, นิ่งนิ่งมากเลยครับแล้วก็ผู้ที่สุดฝนมานานเนี่ยคขา่อนทจะนิ่งซึ่งผมทำให้ผมได้คำตอบตัวเองเนะครับว่าผมชอบจะถามตัวเองว่าทำไมเราไม่นิ่งสักทีเพราะเหมือนเวลาเราได้ปรโตค์สามาเนี่ยมิติการมอง ต่อสารนั้นเนี่ยเป็นเช่ไรผมคิดว่าวันนีผมเริ่มจะได้คำตอบมาคืนๆมาครับ<ม>ต่อการมองมองสารที่ถูกส่งโปรโตโอลสารับมาอย่างไรว่าถ้ารับมาด้วยด้วยการรับเราต้องไม่เอากรเลตเราไปจับสารนั้นอีกทีนึงเพราะถ้าเราจับเมื่อไหร่นี่นเราจะเกิดอาการบางกีก็จะเป็นนิ่งใช่แล้วปัญญาก็จะไม่เกิดเพราะสมาชิมันไม่มาถูกไหมครับสติกระบวนการของมัก องแตกจะไม่เกิดกระบวนการเกิดขึ้นต่อการรับสารนั้นเกิดขึ้นเฉพา<ม>ะประเทศไทยข้อสำคัญก็คือวิธีเรียนพระคุณเจ้าท้งรีอ่านใจตัวเองจริงๆครับเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเราจะรู้อาการของจิตอารมมันเกิดชอบหรือไม่ชอบอะไรต่างๆนานาพวกนี้แหละสรุปง่ายๆว่าชอบหรือไม่ชอบครับตอนนั้นมันก็จะมีแรงมีเบามีปัจจัยอย่างนี้นี้หลอดร้ายครับ จนกระทั่งมันมีขบวนการเช่นเราจะเรียนรู้รลักษณะของกิเลสตัวพวกนี้เน่ในเชิงจากที่ว่าเนี่ยมันไม่ชอบใจแต่สนใจแค่ตรง น, นี้ไม่ได้เกิดไม่ชอบใจจากเพราะการไม่ชอบใจนี่ก็จะเกิดมันจะเกิดไปกิเลสอะไร16 สี่หกอ่าไอตัวแรกเลยนะอ่าตัวอภิชาวิสมารโลภะนี่ทันตีทันตีไว้รวมเลยว่าอันนี้สายโลรภระอภิชาอภิชาวิสมารโลภะทำเพ่งเ พ, งเพ่งแรงเพ่งแรงกล้าไปใน Lindsay ความโลภท่านจะยกเป็นหัวเรื่องสายโลภไปหมดการ คำนั้นมาอีสิบห้าคำครับอีสิบห้าคำในอุปกิเลสิบหกเนี่ยครับมันเป็นสายของตัวที่ถูกตาหนิดไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับพยาบาทโกรธอาห้าแล้วไม่ได้เกิดอาการนี่ ย, ยากลางละเอียดไปจนตัง้งจนสุดท้ายอัปปามานะอมมาทะมาวัครับมัวมาสุดท้ายครับ เพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ไล่มาสายนี้เป็นสายกระบวนการของโทรศัพท์มูลตรงนั้น<ม>โลภะมูลทัานยกไว้ข้อเดียวข้อที่หนึ่งของท่าอกในสุโจากข้อที่สองมาแล้วมาถึงตั้งถึงข้อสุดท้ายนี่ตัวหใหญ่ของอัตตา ม, มาณในสายโทรศัพท์ทั้งสิ้นเลยนี่น<ม>นพอรองจัดตัวนั้นมาพยาบาทพยาบาทแล้วก็โกับ อุปนาหะครับนี่คือถ้าจำาอปักิเลเนี่ยเก็ดให้ถ้าวิธีจำจำจนหมดสี่แวด CC CC <ม>ี่สี่สิบหกวดแรกอพิจาตสมรมพระอีกสามมูลตระกูลโทสะเลยพยาบาทแล้วกโปรดแล้วก็อุปนราหะครับพยาบาทนี่มันรองมาจากโทสะครับโทสะเป็นต้นตระกูลเป็นโทสมูล แล้วก็มาพยาบาทลีลาของโทสะเนี่ยมันจะลีลาเดียวกันตบโกธะครับลีลาของพยาบาเนี่มันจะลีลาเดียวกันกอุปนาหะโทสะคืออาการโกรธครับลแล้วโรกรธก็คือโกรธครับที่รองออกมาจากโทสะครับโกรธแล้วคูโกรธโกรธแล้วจะยึดความโกรธไว้รลหว่างพยาบาทครับ พยาบาลจึงแรงกว่าอุปนาหารการผูกโรรกรธแปลกในเไทยว่าผูกโกรธเพรานะฉะนั้นโทสะก็มาเป็นกุฏพยาบาลก็มาเป็นอุปนาหา ร, ร, รี่เป็นต้นนี่ต้นจากูโกรธจากนั้นก็เป็นอ า, าการจะดุกกะดิกไปตั้งแต่นะนะมัคคปลาสะมัจาริยิกษามัทริยต่างๆพวกนี้เป็นลีลาอาการมาจากโลมัคค เป็นการลุหลูคุณท่านบราสัตท์ยกคนเทียบเผ่ากันอะไรต่างๆนานามามหม่จกระทั่งถึงยังไม่ถึงพายามาถึงอิสสาอิสาอริสยาไม่ต้องการีเขาได้ดีนะแล้วก็มัทธิยะสถาีทีตนประชาชาสถาปีทีตัวเองถือตัวแจ็คักนะรตนี้ อันนี้ไม่ใช่การจะมีเงินทองก็มีวัตถุไม่ใช่อันนี้มันเป็นปรมัจารเนี่ยไอพวกครัป็นมาจารยม่ใช่เรื่องของวัตถุเงินทองแล้วก็จะปรมจรย์อาการตรนี้เวลาจะมีจะไปพูดถึงเราไปอธิบายไม่ขี้วงที่แหนเงินทองต้องขอทรัพย์สินมันไม่ใช่ยมันจะมีกูคใครจะแตะนะวยมันจะมีมันจะมีเ่ั น, นใครมาแตะกูไม่ได้นะนนมันจะมีตัวตนตา นะั่นมองจากนอกนั้นมันจะเลยออกมาเ ว, วลาครเกเพลินมาเป็นมายามาสาธยะกับอวด อ, อ้าอวดโออะไร ไ, ไปไปทำพระสารรัมภาอะไรไปดึง ด, ดันยิงพย้องสารระมภาอะไรพวกนี้ไปตลอดสายเลยจนกระทั่งถึงมานะอติมานะธัมรมะธรรมะมั่นสะายของการถือดีทือตัวถ้าเรียนรู้ไม่ได้ถึงท่านสุดท้าย ไปจบอยู่ที่มานะอติมานะทักยิ่งเลือถือตัวอย่างจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ประมาทแล้วอมาทักประมาทแล้วลงเลยเมาเลยเมาจิไม่ต้องพูดเลยลงตนลงตัวเองหมดเลยครับด่านะลงถึงทัานมาัททะมันเมาดนะ่เมามันมันเป็นคนมัไม่ครบรับคนเมาเลยคนไม่ครบจะเป็นเต็งละสรรพสัญญะปัญญามัน จะขบวนไม่ได้แล้วครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับก็จะเป็นชนชมงจะเข้าสู่ช่วงมงที่2ครับเริ่มเปิดประเด็นนิดหนึ่งครับว่าสามารถโทรเข้ามานะครับรัประเด็นไดรับประเด็นประเด็นได้คมรามสุขจครับยดสายส่าไม่ได้เพเมเนตอนแรกนี้เนาะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดอีกครั้งนะครับศูนย์แดห้า 1 7 9 0 2เจเศย์อ้าเจ็เพราะว่าครึ่งชั่วโมงหลังจะเปิดครึ่งชั่วโมงหลังครับก็มีเวลาในช่วงนี้ก็เราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่สครับเพราะผมก็จจัดสรรเวลาอย่างเงี้ยครับอ้าววอีก<น>บ่อยครั้งนะครับ0ูย์ดห้านะครับรับประเด็นนะครับูนย์แดห้า่เจดเก้าศย์อเกเจครับศย์แดห้างเจด้าศูนย์เก้าเจครับทีนี้ประเด็น ต่อมาครับคำถามที่ยังพางอยู่ก็คือผมบอกว่าเกิดการประวัติศาส์เกิดขึ้นครับมันมีบุตษที่หนึ่งบุตที่สองมันจะเริ่มมีบุรุษที่สามครับดินทาการเละครับเห็นเขาประวัติากันเห็นเขาพูดเรื่องน้นรนี้กันหรือว่ามีการบอกเกล่าคนนรูสอนตั้งแต่ยุคศึกษาสอนบอกกล่าวอะไรนี้เกิดขึ้นครับไอ้บุตษที่สามก็รับไปเอาไปดินทาต่อ ตระบวนการสิ่งเหล่านี้นะครับการทําตัวและทําใจและวางตัวตนเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อการติดฉินนินทานเปสิ่งที่เป็นสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้นินทานนี่แปลว่าพูดว่าเปล่าวรเขาเรารับหลังนนะครับคําว่านินทานครับอถ้าเราไม่ได้ยินก็เป็นนินทานรับหลังมาแล้วไปอพอได้ยินพอได้รับรู้ว่าเอ้ยนี่มันว่าเรารับหลังนินแล้วมันก็โกรธที่ดีที่ตัวไม่ได้ว่าต่อหน้าว่า ว่ารับหลังเราอะไรนิดนึงตอนสรุปแล้วว่าคือโดนว่าจะว่ารับหลังนิดตอนนี้ก็แล้วแต่การโดนว่าแล้วถือตัวถือดีก็ทั้งนั้นแหละอย่างที่เราได้วิจัยวิจารณ์เข้าหลักเดียวกันอยู่ก็ต้องทาตัวเองใช่ไหอมันก็เข้าเข้าเริ่มเดิมเพราะว่านินทาเนี่ยมันหมายความว่ามันว่ารับหลังเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมารู้เข้าวก็เออขึ้น พ่อไม่รู้ว่าแล้วไปบินตาบางคนก็ต้องนั่งเองแต่ในนี้นนนก็จะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะต่างจาวิจัยมาแล้วว่าครับ <c oughs> ใครจะว่าร้ายเราอย่างไรอย่างไรครับแม่ถ้าแปลว่าคุณไม่มีตัวตนไม่ได้ติดใจถือสาโดยปัญญาโดยความเข้าใจเลยจริงๆเลยนะมันจะเป็นศพมันจะไม่เกิดหูบามันจะไม่เกิดอาการจิตที่มันจะ อุปายาสโทมนันทุกหรือแม้โสกะปริเทวะอะไรมันไม่มีเลยสักอย่างนวมันไม่จะเกิดนะอาตมาขออนุญาตอธิบายห้าคำนี้หมายโสก ะ, กะปริเทวะทุกขโทมนันอุปายาสครับมันเป็นคำรวมในกระบวนการที่ทุกทุกยังยาวกลางละเอียดครับ ทุกคำต้ น, นคือโสกครับมี่ก็เป็นอาการที่เห็นได้เลยคนเศร้าโศนีนาตาก็เห็นแล้วท่าทางก็เห็นแล้วเศร้าโศนโ h มันเห็นเห็นก็รู้เลยบอกหดไม่รั บ, บเห็นเลยคนเศร้าโศนี่อาการโศนี่เป็นอาการทุกจินบัดออกมาจนกระทั่งควบคุมกิริยาควบคุมแสดงทำกิริยาอาการข้างนอกไม่ได้แล้วครับ นี่คือคนโศดีไม่ดีก็ร้องงงร้องง่ายทงควรโอ้โอโอสารพัพสารเปรไม่ต้องไปพูดไปถึงรุนแรงถึงขั้นว่าจะตโกรธนอกจากจะทุกข์แล้วจะตายยังโกรธไม่ต้องพูดขน้นมาเข้ามาจมอยู่กับตัวเองโศต้นรากของความทุกข์ต่อจากโศกาลปริเทวะครั บ, รบปริเทวะแปลว่าพี่ที่ไร ความโศกนั้นความทุกข์อันใหญ่ยิ่งของตนนั้นคุณก็ยังต่อเนื่องมาไม่รู้จกจบมไม่รู้จกหยุดไม่รู้จบปรบจบไม่จะวางยิ่งนานเท่าไรก็เรียกว่าปริเทวานาการมากเท่นั้นครับลำพึงลาพัน์ยู่ต่ออยู่ให้ไหนไม่รู้จักวางไม่รู้จะปล่อยไม่รู้จกเลิกไม่รู้จะพักครับยิ่งไม่รู้พักก็ปริเทวานาการไปเรื่อยต่อเนื่องอยู่เรื่อยแหละครับเรียกว่ามันทุกข์ใส่ตัวที่ มันมีอยู่ในหนึ่งมันมีในสภาพของมันว่มากมายนรือน้อยแรงหรือเบาสองมันยังยาวมันยังนานหรือว่ามั น, นสั้นครันหนึงนน่งคณิกะอันหนคุตตคุตตกะคุตตกะเนี่ยเป็นหนักส่วนคณิกะเนี่ยเป็นขณะเวลาแล้วถ้าคุยต่อยาวมันก็ไองโง่เนี่ยมันแรงมันยังไม่พอก็อยากเอาแรงมาต่อยาวพี <est> ่ แล้วมันจะเป็นยังไงคนนี้มันจะโง่ขนาดไหนโมดัสอริเทวนาการครับโสกอริเทวะครับเพราะฉะนั้นในอาจารย์เช่นนี้คืออาจารย์ทุกที่สองสองตัวใหญ่ข้างนอกทุกกรรมทุกกรรกลางโสกอริเทวะทุกข์ก็คือความที่ไม่สบายใจทั้งปวงขยายเป็นใหญ่โสกอริเทวเาก็อย่างนั้ น, นคือตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือกุตตะอีกตัวนึงคือคณิกตะครับสองอย่าง ทุกและทอมนักเนี่ยถือว่าเมาลงโธมนักเบาลงจากทุกเพราะฉะนั้นการเบาลงหรือเป็นอยู่แต่ภายในเรนื่องโับส่วนอุปายาสัานหรือเสร็จๆน้อยแต่ทุกกระชุกจิดไปไหนกแล้วแต่เทษเทน้อยที่หลังัพเพราะฉะนั้นมันยังลางในหมดมันยังเก็บไม่ละเอียดมัน จัดการทุลีละอองหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ครบพันก็คืออุปยาสตนี่คือห้าคำที่กระบวนการของความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในปฏิจจส ม, ม บ, บัติกับที่เราจะต้องรู้อาการทั้งนี่มีอาการทั้งห้านี้ับอย่างรู้จักขนาดของมันระยะเวลาของมันอะไรต่างๆมันมาครับแมนะ้ว่าเราจะรู้ได้ว่าเออเราอยู่ในขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหน อยู่ในระดับไหนตน้นมารุปแล้วเอามาเข้าประเด็นที่มาภป ร, ปรวรนณาในการที่ยอมตอนรุ่นน้อมตอนรนด้วยว่าเห็นในการที่จะให้ตัวเองถูกพู้อื่นตำหนิกีนเกียรได้นี่เป็นประโยชน์ชและเมื่อยออให้คนว่าได้อย่างที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิเลส ตัวตัวกับตาถือดีตัวสารพัดอุปกิณ์สิบหมดเนี่ยครับคนนั้นไม่มีทุกข์เลยเบาว่างสบายแล้วก็อาจมาพูดแล้วว่าการที่จะทําให้จิตไม่โต้ตอบได้มันมีสองอย่างกดจิตไวกับอ่ากับไม่สะกดจิตไว้แต่มันว่างกดจิตไวมันก็ว่างได้แต่ว่างได้โดยตื้อ ว่างได้โดยไม่มีปัญญาไม่รับพิจารณาหรือพิจารณาก็าไม่โตร่งใสไม่ละเอียดไม่ครบไม่เอามาเต็มใจเอามาพิจารณ า, จ, า, รณาจริงจริงเพราะจิตมันยังไม่มีพลังพอมันนี่อำนาจมันไม่มีความเปิดที่เปิดครบ แต่ถ้ามีตัณยาระล้วางกิเลสตัวตนหมดแล้วจริงๆเราว่างจริงๆเนี่ยครับมันเปิดครบเลยมันรับเต็มมันเอามาพิจารณาด้วยความสบายใจโปรเบาแล้วมันจะรู้ความจริงครบตรงนี้ที่ว่าสุญญตาใช่ไหมสุญญาตาที่แท้จริงใช่ใช่แล้วมันจะเห็นคุณค่าของจิตที่มันโอ้คนเราไม่ต้องมีตัวตนเนี่ยมันสุขอย่างนี้มันว่างนี่้วมันจะทับรู้อะไรได้ครบอย่างนี้ แล้มีการวิจัยพิจารณาได้อะไรด้วยขอราะใคเนะเพราะอวดๆๆๆตัวอวดตนหน่อยครับที่อาตมาหยิบมาพูดที่ว่าอวดตัวตนนี้คือเหตุการณ์จริงที่เกิดอยู่ในตัวอาตมาที่ผ่านมาอาตมาเอาคดีเอาเรื่องที่มันเกิดเกิดสาระการเริ่มต้นตั้งแต่อนนนัน น, อ น, น, น, นั้นเสนาคันคณะรัฐมนตรีในเสนาคันเริ่มต้น ตัตนตังตัวสัตอัตมาพิพิีเลยเคยนังซื้อว่าธรรมดาธรรมศาสีย์ฯฯฯธรรมุกีเอาจะมฟาฟังเขาศึกษาเอาอ่านนะก็าไหวเลยอะไรย kind of ังไงเขาเข้าใจกูเขาก็เออเข้าใจเข้าใจอาตมาบองกลงอาจมาไม่ได้เคยมีจิตไปเกียดไปจังไปปวดไปเคยอะไรก็เลยไม่เคยเลย จิ้ใจเขาก็เข้าใจอย่างที่ว่าอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วมบางทีว่าเราจะมีปัญญาเราจะมีตัวรู้เราจะเข้าใจอะไรอะไรซับซอเปิดได้รับเต็มๆแล้วเราก็จะไม่ตื้อแม้ไรความสบายสง่าง่าอยู่ความมีปัญญารับรู้อะไรถึงเป็นก็ได้การวิจัยที่เข้าในตัวปัญญาของเราเขาม่ใช่เต็มสบายแล้วก็จะรู้อะไรดีรู้ถูกครบไม่ปัดทิ้ง นะรับมา ก, กันได้สบายเบาเลยนะเพราะฉะนั้นหยกักฐานจะจะมาหยบหยิบมายืนยันไม่ใช่อยากอากวดตัวอวดตนอะไรครับแต่หยิบมายืนยันเพื่อที่จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นความจริงของมนุษย์ได้ครับอย่างอันต์เนี่ยอันนัเซนกขัตติโตีอประมาณเนี่ยที่จริงมันมีก่อนนี้มันมีก่อนท่านบริขีเจ้าคุณคนหนึ่ง อาตมาจาริกไปตั้งแต่ปศนุ6ไปโคราชจาริกไปโคราชมันก็ไปตุกตุกคุณเจ้าคณจังหวัดที่นั้นเล่นงานอาตมาให้คนมาเล่นางานกับสอบสวนทำอะไรต่านๆนา น, น, นอาตมาตอนนั้ไม่มีเรื่องยังไม่มี อ, อะไรมากมายมาจะรู้แล้วเราว่าอาตมาเนี่ยมาแสดงตัวที่มันขัดแย้งกับทางกระแสหลักรู้แล้วเริ่มเริ่มแต่ว่ามันก่อน ก่อนเอพอำนาจในพศ25ตอนนี้มในพศ26 27ครับมันผ่อนกันตั้งนานนะอาตมาก็ไม่เคยถือโกรธท่าเลยนะครับจนแล้วจนรอดพอมาถึงอำนาจ น, นี้ก็ยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่รู้กันทั่วรู้กันได้ครับว่าเขาตั้งตนเป็นอะไร <c oughs> แม่ที่สุดอาตมาก็เขาเข้าคุกอำนาจ น, นี้ตกลงไปเข้าได้ไปเข้าคุก อาตมาก็ยังให้พวกเรา s <S ไปส่งข่าวสงน้ำเมื่อกี้นี้ยมหนู่เมื่อกี้เนี่ยอเียวกันเราก็ดไปที่ช่องเราเม sí ื่อกี้ใช่ที่สัมภาห์ไปเมื่อกี้เราคุณตระยมหนูอําไพยมอําไพชื่ออําไพยมหนูก็เรยกได้ครูหนูครูหนูเขาอเป็นครูมาจากครูมาตั้งแต่น่นล้ลาออกมาแล้วก็มาอยู่กับเราจกละตั้งป่านนี้ แก่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ต้องดูแลจนกระทั่งตาพสให้นอนแหละนะก็อยู่กันจนั่งมาตั้งใจว่าข้าค้าใช่เพาะอบใจนาื่อครับีเขาก็ชใจโอ reveal, <amine performance, S 2> ้ด so yeah. like like mm ีจังเลยขามาดีมาดี๋ยวคำคลืดยุดเลยคาฟ้าเงินค่าเงคำานี่ราคาสูงนะคาและคลดนี่มันไม่ไหวนะเขาก็ชอบนะเก้าแก่กบคํามา้ะนะ เขานั่นแหละเป็นผู้ที่ไปพบกับอนันตเสนาขันเลยครับเอาข้าวเอาน้ําไปส่งเป็นคนเอาข้าวเอาน้ําไปส่งในคุกครับไล่ช่างไล่ข้าวจนกระทั่งสุดท้ายอ น, น, นันต์ปริงกล่าวบอกว่าบอกคุณโูเนี่ยมาบอกปไปที่น้องไฟเรียนท่านบอิรักเยว่าข้าวท่านี้ยาอืมนี่คือคําพูดของอนันตเสนาขันก ออทําให้มาบอกอาตมาตด้ดีขนาดนั้น่อเคอยใช้สมนวนตามภาษาเขาก็เป็นนักก็ับใช้าาใจชาวใจ<ช>คุณข้าท<ช>่านมีอย่างเขากรอกอย่างนี้เป็นสมนวนโบราบออาตมา ก, ก็ ม, กกมกกีเข้าใจก็รู้เขารู้จักเขาดีขึ้นนนต้นอาตมาไม่เกิดเหตุเท่นกับคุณโสพลธนาพรเป็นตัวตั้งตัวตีวตอยู่ที่บ้านโบราเนี่ยเล่นงานอาตมาโอ้ยอาตมาไม่เคโสรท่านไล้ ไม่เคยือสาไม่เคยอะไรอาตมาได้มันนีเหตุการณ์จริงท้านก็ว่าอย่างงี้อย่างงี้เปลโอโท่านจะัะรวมพักรวมพลเล่นงานมาซับแรมอาตมาก็เออเนาะท่านก็เข้าใจเราไม่ได้ครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเขอาอไไม่ได้ข่าวพาดพิงไปถึงท่านเจน้าคุณสมภูณาพร ้ก็เป็นตัวตั้งกัตีเขียนนังซือว่าตมามาชนแล้วต้องเกิดเรื่องทางนั้นนี้กระแสหลักรักลูกเลยแล้วก็ัาการอาตมาพศสามสองนั่นก็เกิดจากเจ้าคุณสซฟอนุณาพรในลาเขียนว่าตมาสามเร่งอาตมาก็ตั้งใจเร่งแรกเลยขันเขียนว่าตมาอาตมาก็อ่านจนหมดแล้วต่อาตมาก็เข้าใจท่านเจตมาผู้นี้ขอใครที่อาตมาอยากจะอวด พูดตรงๆว่าอยากจะอวดว่าอาตมาไม่มีจิตใจที่มันเป็นาปปอการโกรธตอบอย่างนั้นอย่างนี้เลยนี่เป็นการเปิดเผยความจริงแล้วอาตมาว่าอาตมานี่เป็นผู้ทิ่เข้าใจจิตเจตสิกจิตเขาอาตมาเจตสิกอาตามามันไม่มีสาเถอยในจิตแม้ขนาที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อยากอวดอยากโวยอะไ ร, รสาเถอ ย, อยาด้วยสะท้อนแต่มันเป็นจิตที่อยากอวดยากโับ<ๆ>มันไม่มีอาการอย่างนั้น แต่ที่พวกนี้เป็นวิชาการในความรู้ที่เรายกอ้างหลักฐานความจริงมาเล่าสืบสัมเทนานั้นก็ยืนยันความจริงนี้รู้ว่ามันเป็นจริงนะส่วนใครความจะเป็นโทษเลยจะปั้นใจรับความจริงตัวแล้วแต่ครับอาตมาเองอาตมาบอกความจริงได้เลยว่าเมื่อตั้งแต่เล่นแรกท่านเขียนว่าอตาอ ต, มา อ, ตมาอาอตมาอามเสียอาตมาก็เอาขก็เขจดหมายขอคุณท่านไปครับถามท่านได้เลย อาตมาขอคุณท่านไปท่านบวชก่อนอาตมาแม่อายุท่านจะน้อยกว่าอตมาอาตมาเขาเรียกท่านพันเตเขาล็อกนับครับซึ่งเป็นเป็นประเด็นถึงสภาวะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมเกิดจะแรกว่าจะได้มีโอกาสพัฒนาและยกระดของของเราเราท่านๆที่อยู่รายการนี้อยู่ครับอืมาตมาท่านก็ไม่ตอบอาตมาอะไรเลยอาตมาจนหม้ท่านไปเกิดเนี่ย อาตมา ก, ก็ขอบคุณท่านแล้วก็แต่มีอาตมากค็คอมเมนต์ยังหาวจิตเตือนท่านหรอกเป็นการให้ข้อคิดว่าท่านนั้นมีอิทธิพลทางศาสนาท่านน่าจะาาจะมีแรงกนี้หน่อยอนี่คือจะว่าในท่านคนจิตจะไปคอมเมนต์นะมันไม่ถึงขัง้นจิตหรอกอาตมาว่าท่านมี้คุณทูนาคุณต่อ ใ น, ในเนื้อหาจหมายได้ฉบับนั้นอามาจำเนื้อหาได้อาตมาจําัวละครไม่ได้แล้วดเดายใหอร์ดอาตมาจำไม่ได้แล้วในจำจจ ำ, ำ, ำ, ำสาระได้ว่าอาตมาว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านมีอิทธิพลในศาสนาท่านมีคุณานุคุณในศาสนาเป็นที่เคารพนับถือมากเพราะวท่านถ้าท่านทําล้วมันจะมีปรโยชน์ปาจจนท่านติมากกว่านี้หน่อยเพราะอาตมาเห็นครางการติไง ที่การติดมันมีนประโยชน์มากเลยท่านติดมากขึ้นนิดหน่อยครับติดในวงการท่านเองน่ยแบบจะได้ประโยชน์มากเลยแต่ถ้าไปติดในภูมินอกอย่างพวกอาตมาเนี่มันไม่มีอะไรมากหรอกครับมันไม่มีอะไรมากหรอกแต่ถ้าไปตีพวกนายท่านเองเนะี่ยแบบจะเกิดประโยชน์มากเลยครัอาตมาไม่ได้ขยายความมากที่จะนิพนธ์พวกอาตมาให้เกียรติท่านบัดนั้น ท่านก็ต้องรู้ลวปฏปิบัติท่านกไปถึงพวกนี้ละครับอ่าท่านั้นแหละท่านก็นมาอีกสองเล่มเลยเขียนมามาอีกสองเล่มเลยอัตมาต้องเร็วเอไม่ได้ละอัตมาขีนปอบไปอีกคงไม่ดีครับไปอกีกลกันไปแตะหลังแตนบ่เปล่าครับัตมาก็เลยไม่ต่อเล่มที่สามนี่ท่านเขียนว่าอัตมามายังทิ้งทายไว้อีกนะว่าอัมาอ่านหมดแลอ่านละเอียดที่จ้านายว่าที่อาตมาก็เห็นว่าเอออตมารับได้หมทุกอย่าง จะมันไม่ได้หล่อีม่เปลี่ยนอะเล่นจุตาต่กระนั้นเพร า, า, ววาท่านยังมีอีกนะเรื่องที่จะต้องว่าผมน ะ, ะแตน่นที่ทายมันจะจะเขียนอีกนะแตจจากท่านที่สามต่อมาก็าไม่เปียนอีกเลยว่า<ะ>จบท่าจะบัดนั่นมาจนกระทั่งมาตอนลังลังมาเนี่ยท่านไม่ส บ, บายหนักทุกครั้งเชตมาก็เชตมาไปแสดงมุข<ม> ท, ทีายสิจนกระทั่ง่จจุมายนั้น มือ ท, ที่ตายจิตประจำใะมาาท่า น, นาไปไปมือที่ตายจิกระท่านทำไสบายหลายเดือนผ่านมาปรากฏว่าท่านตอบท่านไม่ได้ตอบจดหมายหรอกแต่ท่านตอบที่อะไรอัตมาจำไม่ได้แล้วเป็นกระดาษน้อยจับเขียอะไรไรู้อัตมาจำไม่ได้แล้วท่านตอบมาแ้วท่วานก็มีบอกตัว อ, อย่างหนึ่งว่า ท่านกำลังพินไว้เนี่ยชุดนี้ครับกนินเป็นชุดวันุก่อนนี้ครับกำลังล่าสุดกำลังกินมอยู่แล้วไม่เสร็จที่จะส่งมาให้ใจแล้จะปส่งมาให้แต่ก็มีลายมือเชียนเอาไว้ธรรมายังใช้อยู่ได้สองเดือ น, นที่กะเกียมารับ่ส่งมาโดยใ้วยมะมาก็ขอบคุณนะอย่างนี้เป็นต้น อัตมาเขได้อาศัยหนัสือากนการวรวมอาตมานับถือท่านเป็นเด็กแมนที่โอ้านเป็น น, น, น, น, นคนความศึกษาในเรื่องของการศรึษาวิจาราอย่างแท้จริงท่านเป็นนักวิชาร์าที่เกิดอัตมาตนับถือท่านซื่อสัตว์ต่อทุกอย่างไตรงอย่างให้ติดพลาดเท่าที่ท่านจะมีคุปญญติธรราแหละครับ รัฐบาลเก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่รวมไว้อย่างมากแต่สิ่งที่อัฐบาลเห็นไม่ตรงอัฐมาลเขต้องค้าตรงยน yeah. อะไรที่เป็นมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลว่าเรื่องว่าถูกต้องอะไรดีโ oh, อัตมาลก็เองถ้าคนรู้สึกยอะๆ yeah. ครับในหลายๆอย่างมันได้ประโยชน์คุณท้าจากท่านมากบางอย่างบางอาโออันนี้ท่านรู้รัฐบาก็ได้ yeah. สักคำนะส่วนอะไรที่เห็นรัฐาเห็นว่าโออันนี้หลายอย่าง อาตมาไ ม, ไม่รู้นึกไม่ออกตั้งนึกแหละอาตมาก็ได้จากท่าไงและสิ่งที่อาตมาว่าอาตมาว่าไม่เห็นด้วยอาตมา ก, ก็ก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นมากมาอะาตมาม า, มาแล้วก็เห็นใจกันด้วยกันว่า ท, าทำไมทําได้ดีที่สุดแล้วอยนะ่าง น, นี้เป็นต้นจนทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ได้เคยคิดอะไรเลยเราเริ่นับถือท่านอยู่เพราะจะเป็นท่าที่มีคุณานุคุณต่อศาสนาพทุทธมหาศาลครับอ <c oughs> น, นี้เป็นต้น เสาร์มาก็ดูใจอาตมามาตลอดเวลามัจจุบันท่านวินาทีนี่เลยอาตมาแต่ถ้าอาตมาว่าอาตมาบรรลุธรรมเนี่ยอาตมาไม่เคยจบเลยแล้วก็เห็นความจริงว่ามันสบายจริงไม่โกรธใครนี่มันสบายจริงจริงคไม่เชื่อไมเชื่อจริงๆไมต้องโกรธนิดโกรธน้อยไม่ต้องเลยมาต่อกรนิมันุกนิดนงนี่นแหละ ก็เลยมีข้อสังเกตเอย่างนี้ครับปู่ครับในวิธีมหาปวานานะครับผมทราบว่าอาคาร น, นี่ยใช้อยู่ลากเส้นกันนั่นแหลมีมีคำถามว่าแล้วทําไมคารวะเนี่ยไม่ควรจะมารับรู้หรือไม่ควรจะมาเกี่ยวเรื่องหรือเข้าในบริเวณอาณาบริเวณพื้นที่ของของวิธีกรรมในการปฏิวัติกั น, กนเพราะว่า าการเปิดเผยความจริงเนี่ยอะไรที่ไม่ควรจะต้องให้คนอื่นรู้สิ่งนี้แหละมันมันเป็นสิ่งลึกซึ้งหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่ควรจะต้องเปิดเพราะนี่ควรเขารู้ไปทั้งหมดครนะเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่เกิดประโยชน์การทีเกิดโทษผลเปล่านะหรือบางทีมันเกิดโทษมากกว่ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้นะอันนี้เป็นเรื่องศึกษาของมันอยู่ มันท่า น, นบอกว่าถ้าเป็นครูบาบัตรถ้าเป็นอาบัติยาอาบัติอาบัติตเพล่นเนี่ mm hmm. ก็รบรู้แต่ภ า, ายในสมัยกัน mm hmm. อย่านอาออกไป mm ับ hmm. ให้ใครเขารู้ได้เป็นขาด mm hmm. นะก็ ป, ปกปิดน mm hmm. ะจบอกว่าปกปิดก็ค mm hmm. ือปกปิดครับเพราะมันไม่เกิดผลดีครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่า mm hmm. ม, มีอัตราที่ตัวที่ตัวอะไรไม่ใช่ครับ mm hmm. แต่มันเป็นสัจจ์อันหนึ่งที่ไม่ต้องเปิดเผยเพราะฉะนั้ในการเปิดเผยความชั่วความอะไรอะพวกนี้มันมีอย่าไม่อย่ามันก็เลยตองแยกกันออกกันม่ไดก็มาเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ควรจะได้ยินให้อยู่ในฐานะที่จะต้องมาฟังเรื่องห้องสมครับนี่คือเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่สักเสิทธพื้นที่อะไรเงี้ยไม่ขเช่าอะไรช่มันเป็นคุณเป็นโทษครับ มันเป็นคุณเป็นโทษพูดอะไรับรู้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ได้หรอกมันกลายไปเป็นทุกข์กับของเขาคหรือมันเสียประโยชน์ที่แทนที่จะคุณจะสัทพาเรื่อมใสได้คุณมารู้คนนี้ว่าอ๋อมีข้อบกพร่องอันนี้อย่างนี้อมันก็ไม่ดีครับมันไม่ดีเพราะว่าท่านเราจะช่วยกันแก้ไขกันอยู่แล้วเราจะแก้กันได้ ผูที่ช่วกันปฏิบัติตามธรมวิชากัพัฒนาขึ้นได้ทั้งนั้นแหละมันจะผิดพาดหนักเบาขนาดไหนถ้าไปขั้นไล่ออกวาระชิกมันก็ต้องมีวิธีการทั้นเจ้ใช้กันอยู่ด้มาออหมดแล้วดันั้นก็ข่าวว่าเมัไม่จเป็นที่จะต้องมาได้รับส่วนข ท, ทุทุท่วัวกนันเซประโยชน์ครั บ, รบทีนี้ก็เริ่มเขาประเด็นจากทางบ้านแล้วนะครับ ยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์9 0 2ห้าหนึ่งเจ้าศย์้าเจนะครับ085ย์9 0 2ห้าหนึ่งเจ้าศย์เจครับมีคาถามมาแล้วครับต<ม>ัน แ, แรกมาจากมหาส า, ารคามครับ โ, โดยคุณสาบวุฒครับพครครับออบอกว่าน้ำพระธรรมหรือน้ำมนต์ที่นำมาฉีดถูกตัวเราจะช่วยให้หายจากโรคภัยคาดแล้วจากอุบัติเหตุหรือไม่ครับ ตอบเป็นสองในนะตอบเป็นสองในในที่หนึ่งขาตอบอย่างสับทงสับทงนี่นาคุฟันทองที่มันแลกเขาตอบอย่างสับทงกันแล้วกันว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกมีนยัยยะที่หนึน่งนัยยะที่สองนี่เกิดเกิดประโยชน์ มันเกิดไม่ใช่เรื่องของน้ํำมนต์เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่เรื่องของน้ำมนต์ครับแต่ไม่เกิดจากจิตของคุณเองครับจิตของผู้นั้นไมยอมรับคนที่ยอมรับจิตที่ยอมรับเนี่ยมันจะมีพลังโอจิตที่ยอมรับจะมีพลังครับเมื่อจิตยอมรับมีพลังแล้วเมื่อเกิดยึดจิตยึดไม่มีพลังนะครับยึดจะมีพลัง แต่การยึดมันทุกเท่าแหละแต่ถ้ายึดแล้วก็ไปใช้งานมันเป็นพลังได้ครับเมื่อเป็นพลังแล้วมันก็เลยไปช่วยให้ไอ้สิ่งที่บกพร่องมันก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที่มันมีพลังอันนี้เข้าไปแก้ไขได้หายเป็นโรคก็หายครับไม่มีกำลังก็เป็นอับอาวนลุกขึ้นเดินได้ได้ ก็เหมือนที่มีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่คนแก่อยากดูลำผีฟ้าหมอเอามาลำให้ก็หายขึ้นมาได้ไออยางงั้นยิ่งโรคติดโดยตรงหายไอ้ลำผีฟ้านี่โรคติดโดยตรงเพราะฉะนั้นโรคประทานยิ่งยิ่งแกไม่อยากจะเป็นปัญญาเข้าใจปึ๊บหาทันทีหาเดื๋ยนั้นเลยครับหาเดนั้นเลยเรื่องโรประทาน่ยึดแล้วก็เป็นเรื่องยึดเนี่ยมันเป็นโรคไซโคซิสไซโคซิสึภาษาทาง วิชาการทางหมอเขเรียกเป็นโรคจิตแค่แค e ่เพื่อจะมาตั <t ori> <washer> ้งข้อสังเกตอยู่สองอย่างโรคจิตกับโรคประสาทถ้าเอาพวกโรคประสาทไปเรียกโรคจิตถ้าเอาเรียทํารียกโรคจิตมาเรียกโรคประสาทโรคประยวบประสาทมันโรคจิตแค่แต่ถ้าโรคประสาทจริงๆนี่แก้ไม่ได้ครับแเอาไปอยู่มึนมึนแต่โรคประสาทน่ยมันแก้ตัวนี้ให้ประสาทนี่นะแก้ไม่ได้ แต่ทะนุกจิตนี่มันแก้ได้หายง่ายกว่าแต่ถ้ากับไปเข้าใจว่าทะนุภาษ า, านี่แก้ได้แต่ลงทะเบียนแก้ไม่ได้ดี ก, กว่าเนี่ยมันกลับกันอยู่ใ น, ใน ย, ย่าติกกลับกันนะทีนี้ในประเด็นของไอ้นี่อีกทีหนึ่งจะเป็นเรื่ของน้ํามนต์นี่นะแล้วก็เนามาทำอะไรอะไรนอาตมาก็คอยยืนยันว่าเลิก เ, เถอะเรื่องน้ำมนต์นี่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระ มันเป็นเรื่องของจิตอุปทานที่บอกว่าแค้ได้บ้างมันก็คือจิตของคุณเท่านั้นเองครับดีไม่ดีแม้มันเกินเกินวิสัยทังทำได้จิตอุปทานเนี่ยครับเช่นเกินวิสัยอะไรก็มันเกณฑ์ของปกติน่ะครับที่บอกว่าเป็นฤิกเป็นเดชอะไรก็แล้วแต่ครับไอเนี่เดนจะเอาจากจิตอุปทานไปทำอางนั้นแหละนังเหนียวครับใช่ก็ตัวพลังจิต แทงมันก็ไม่เจ็บแต่พวกพวกเด็กทีแทงแลวท<ช>ุันเนี่ยน<ช>ั่อะไรเนี่ยก็ย่างดีถ้าพวกนี้แทงแล้วเนี่ยทําสะอาดทำไมอะไระไบ้าง<ช>ไม่งั้นจะเป็นโรคตายเป็นหนอนะไม <c oughs> ่งั้นไอ้เรื่องเดินบนไฟไม้ไหอะไรพวกนี้ยมันเรื่องอภิณิหารต่างปงนี้เรื่องประธานจิตทั้งนั้นเลยคร<ช>ับ<ช>มันเป็นมโนมยอัตาที่สามารถที่จะใช้ควัมเชื่ขึ้นมาทํารื่อพิเศษพิเศษได้พลังงานที่พิเศษอยู่เนี่ยนะ พราะงั้ก็ม่ต้องอธิบายต่อว่าศาสนาพุทธฉันไม่ต้องการให้ทำและไม่ต้องการให้ทำแล้ว ไ, ไม่เกิดประโยชน์ที่จะมาละที่เลือะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันจอมทำได้เก่งในคนบางคนและไม่ยั่งยืนด้วยไม่เป็นอุปทา น, นการที่มันที่มันจะทำแต่นันเองไม่เกิดช่วยอย่างหนึ่ ง, งนะ น, นั่นนี่เพราะฉะนั้นน้ํามนต์อยู่ในมัจจิมาศีนครับ่านตัดห้าไปเลย ขอพระให้ขอแตรงนี้หน่อยทุลศีลแต่จุศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอยมหาศีลไม่ชรืมัชฌิมศีลมัชฌิมศีลก็มีแต่อยู่ในมหาศีลนี่ครับไม่มีรถน้ำมนต์พน้ำมนต์ไม่มีไม่มีเราละเว้นตรงเว้นขาดศีลนี่ศีลของเธอประการหนึ่งเพระถ้าทั้งหลายแลรถน้ามนต์อยู่ทุกวันนี่ผิดศีลั้วยไหขอแค่อีนิดหนึ่งทุกวันนี้พระไม่มีศีลครับ มีแต่วินยัยพ้าตั ว, วัน น, นี้ไม่มีศีลแล้วเพราะศีล น, นี่คือเนี่ยจุลศีลมชิมศีลมหาศีลนี่คือศีลของพระครับนสร้างศาสนาเรามาด้วยธรรมนูญจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลนี่คือสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นยังไงเอาจุลศีลมชิมศีลมหาสีล ม, ม, มาเป็นตัวตั้งหรือตสอบเลยนี่แหละความไม่มีเช่นนี้เว้นขาดอย่างนี้นี่คือสภาพของศาสนาพุทธแต่เดียวนี้นี่จุลศีลมชิมศีลมหาสีลมีอย่างไร พุทมีหมดพุดธแล้วไม่เหมือนไม่มีเลยเพราะพุทธไปมีละเมิดโยนิสินวิชินมหาสที่เป็นศีน่ะสีแล้วศาสนาครับละเมิดหมดแล้วก็เลยไม่มีศาสนาเลยมีแต่พินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่มีสีเอาตอนนั้นเบาแรงแล้วนะแรงแล้วนะเจ็บๆนี่ต้าแรงแรงละตอนนั้นกลับมาที่น้ำมนต์ น้ำ ม, มนนี่มันทำให้าศาสนาเสื่อมแล้วเาอาไปทําหากินกันอยู่ทุกวันนี้วัด<ค>แต่ละวัดอาจารย์ไม่รู้กี่อาจารย์ถ้าไม่พึ่งน้ํามนเนี่นะ อ, อยู่ไม่รอดทำไม่ล่ะครับคือไม่มีใครนิมนตนะ์อ่ะไม่มีมนต์เท่าบ้านอนะ่ะนี่แล้วก็ไม่ทำไม่ไมยแล้วพุทธศาสนาที่ก็ะวนกระอยนึกว่าได้ประโยชน์จากน้ํามนต์ถ้าน้ํามนต์มันดีจริงจริง บ้านในไปรดน้ำมนต์มันก็ต้องเจริญทุกบ้านครับต้องะจริญทุกบ้านจะมาแก้ตัวแล้วว่าเพราะพี่บางอย่างโน้น อ, อย่างนี้เน่ยมาแก้อ่น้ำมนต์มันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนหะซึ่งมันไม่ใช่ซึ่อาตมาเคยเอารงตัวอย่างครับน้เรื่องอยู่ยงคงระพันก็ดีอเรื่องมหานิยมก็ดีถ้ามหานิยมเก่งๆรถน้ํามนต์เก่งๆสร้างเคระเพงมหานิยมดีๆคุณจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจยากอะไร ุณก็เอาอาจารย์เอาระเจดี่อาจารย์ที่เจ๋งๆเนี่ยมาเสกเครื่องรางของคลังที่รวยกันจริงๆก็แตกเลยนี่สบเจดล้านคนคุณก็สร้างมาร2อยยี่สิบรสสาสล้านแกเผื่อไว้คนละสององค์สององค์สององค์นับรองรวยเลขประเทศไทย ก็มันมีรทธิ์ทให้มหานิยมได้อะมึงยิงกันทั้งนั้นมันรวยกันทั้งนั้นอ่ะอ๋อไอ้นี้ไม่ค่อยเข้าใจชัดเท่าไหร่เอาทางบ้านอยู่ยงคงกระพันก็ <c oughs> ถ้าอยู่ยงคงพันดีไม่ต้องซื้ออาวุธ <c oughs> เอาพระเอจนีเนาะมาสร้างมันอยู่ไอเครื่องรางของขลังที่ยู่ไอ้แทงไม่เข้ายิงไม่ออกเนี่ยน <c oughs> ะมันอยู่ยงคงกระพันเนี่ยเซกแลก้วก็นั่นแหละ มี67ล้านคนนี่ก็สร้างมันสักสองเท่าของ67ล้านคนแจกทหารคนละสองสองสองสองไปเลยไม่ต้องให้อาวุธเดินไปกันศัตรูมาแบกอาวุธมากันเดินเขามจิ้มลูกตาไปเลยมันแทงก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกแล้วง็ไปเสียเราชนาหมดทั้งโลกแหละจะเป็นยากอะไรเนะ่ะเดี๋ยวจริงขังจริงเนี่ย อัตมาเล่นมาหมดแล้วอัตมานี่เหนีย ว, วโดยงหงกระพันนะเพราะงั้นอัตมาไม่ขาบุ๋มเนี่ยกระเจ้าเนื้อตายยนกระทั่งช่วงวันนี้ไี่ขายนีุ่รรถยนตชนนะชอ่ะเพราะหนังเหนียวอะ่ะหนังเหนียวตอนนั้นอัตมาเล่นเหนียวอัตมาไม่กลัวหรอกครับกำจะเล่นสายสายอยู่ตอนนั้นะ่ะเสร็จแล้วรถมันชนนี่ไม่แตกเลยนะแต่อัตมารักษายอยู่หลายเดือน <c oughs> ไม่มีแผลไม่มีอะไรเพรชนเสร็จเข้าไปดูรถแล้วมันพังหมดเลย เาอ้ยอย่างนี้มันตายเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยมีที่ขาที่เั้นเองมันบวมเป็นึ้นมางี่เพื่อนบอกโอ้โหมันอาจะมาหมอบอกไม่งานะมันระบบมันปอนติบอนั่นเองทายา ก, กับฟปาเขายาไปกินแต่จะมามาบ้านจมันนั่งนอนรักษาตัวอยู่ตั้งหลายเดือนเปล่าเองว่ะ <laughs> พูดถูกเต่าเองด้วยแล้วทำภาษาเองเยนดยเวทมนต์ตัวเองมีอ่าีพิชายก็เต่าเองก็ตา ม, มาเลียสยศาสตร์ที่อาน้ำรเลี้สาเนี่นะอัาหายกำมืออัตมาเศกทีกระดูกมันมันมนูนปวดออกปววออกมาเนี่ ย, นะย อ, อัตมาใจพลังเศกเนี่ยมันยุกลงไปกันตาเลยนะ มันเป็นกนได้เป็นอย่างงั้นอาตมาได้บโอ้โหพลังงานมันมีจริงตอนแรกเล่นไสยศาสตรเนี่ยอาตมาเนี่ยจริงๆทำอะไรเล่าไปมันก็ไม่ดีมันเป็นเหมือนยั่วยุใคนอยากจะไปทำมันไม่ดีไม่อาตมาไม่ส่งเสริมนะครับบางสรุปแล้วก็ดี ถ้าเผื่อว่าไม่เชื่อวุฒิเจ้าวันนี้เป็นสีคุอเธอประการหนึ่งท่านย้ำไม่ทุกหมวดทุกหมวดเลยของจุลศีลไม่ีลไม่ศีลมหาศีลวันนี้เป็นสีคุอเธ <int Tab on grandpa> อประการหนึ่งทิกษุภ์นี่เป็นสีคุอเธอประการหนึ่งนี่เป็นสีลของเธอประการหนึ่งครับพย้ำดีๆเถอะท่านกับคุณพงศ์พนางพท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นสีของอาริยะมันเป็นศีลอาริยศีลเป็นอาริยวินัยธํามั้นจัทธอาริยศีลอริยวินัยเอาคนถูกแล้วสีศาสนาเป็นศาสนาอาริยะ เดี๋ยวนี้มันเลยมันไม่มีแล้วอาริยะมันก็ถูกท่านูถูกแต่ก็แล้จะปฏิทินได้ยังไงก็ศาสนาพุทธศาสนาอาริยะปติทินงไม่ได้เพราะในเรื่องนี้ตั้งห้ามไปแล้วเลิกทาเถิดกต่สมมติว่าเห็นใจว่ามันเลอกไม่ได้เราเลิกได้ท่าิ้งศาสนาพุทธไปทั้งย่บางก็เหลือแต่ว่าพวทีเข้าใจเนี่ยมาช่วยกันทาสิ่งที่ถูกไปแทนอนั้นเนี่ไม่ค่อยโดยาไปไปตามลำดับ ไปยกทิ้งเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่รักษากับทีไหนเลยจะมีได้ไม่ได้เจะมีแต่ใช่ไปปอกเปลือกต้นไม้ออกให้เหลือแต่ยันเลยนะตายทันทีหมดมันก็ต้องคอยทำไปก็จับทันทีสองนะครับทหารชื่อพิทตองขับออไปเลยครับจากคนเรือตีมินนะครับคนกิตกรร พร่อครูที่เคารพครับกระผมเชื่อว่าธรรมะของชาวอโสดของพ่อครูน่าจะทําให้ชาวโสดขึ้นสวรรค์มากกว่าลงนรกพ่อครูท่านมีความเห็นอย่างไรครับเอ้าถือโอกาสนี้อธิบายธรร ม, มสวรครค์ถือโอกาสนี้อธิบายธรร ม, มสวรรค์พวกชาวอโศดเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วขอตอบขัานต้นฝันว่าพวกนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย หมดสวรรค์จุดมุ่งหมายของชาวสงฆ์นี่คือปฏิบัติธรรมเพื่อให้หมดสวรรค์ไม่เหลือสวรรค์ไม่เหลือนรกคนี่คือขั้นที่หนึ่งตอบครั บ, รบขั้นที่สองตอบอีกว่าสวรรค์หมายถึงอะไรสวรรค์หมายถึงความสบายใจเพราะความสบายใจด้วยความชอบใจของโลกีอย่างหนึ่งทของโลกุตรักอีกอย่างหนึ่ง ท้องโลกีนั่นคือความสมใจบําเรียกิเลสครับก็ถือว่าเป็นความสุขขึ้นสวรรค์เรียกว่าเป็นสนมุติเทพครับเป็นเทวดาเทวดามีสามอย่างสมุติเทพภูมิปติเทพและวิสุทธิเทพครับเกี่ยวกัพระพุาธสอนไม่ชัดเจนถ้าสนใจสภาวะธรรมปรมณีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกวันนี้ชาวโลกียาทั้งหลายและชาวโกลงโลกโล ก, ก็มีสวรรค์แบบเนี้แต่ถ้าพูดถึงสวรรค์หมายถึงสวรรค์อนไรอย่างเดียว มาที่สวรรค์อันนี้อย่างเดียวเป็นสวรรค์ที่จะต้องบำเพ็นกิเลสก็จับใจสมใจเป็นสุขเสียเรียกว่าโลกียสุขนะสวรรค์เสกกายสวรรค์เสกัตตาบำเบ็ญอัตตาเป็นอัตตตัตสุขกิเลามาสยเป็นอัตตตัตสุขนี่คือการบําพ็ญกิเลสกิเลสกายก็เป็นอัตตาคืมันมีอยู่สองท่านั้นแหละกิเลสกายกับอัตตาเนี่ยตอนที่พระบัณฑิตพระท่านสอนมาเพราะงั้นเมื่อผู้ใดไม่เข้าใจเรื่องสุข ไม่รูเขาจะโยนสวรรค์ตามที่ท่านสอนเอาไว้ในอนุปปคคาถาขอา้อที่สามสัพพะคือสวรครค์คมันเข้าใจสวรรค์ไม่ได้จึงออกจากการนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าสวรรค์ยังได้คือสวรรค์เสด็จตารสวรบบรค์บำเรียกิเลสถ้าที่ได้กลอง้ะว่าถ้าลดกิเลสก็เป็นสุขสุขเรียกว่าสุขสงบ อุปสมบทศกหรือรอุปสมบทศึกครับเพระาะงั้นการศึกกันนี่ทำมาออกจากกามลดกิเลส ก, การได้ก็ลดลงการลดกิเลสการได้อีกสองอย่างหนึ่งหนึ่งกดข่มไว้จกกุกหล่อพระสุขเรียกว่าสุขสขงบระงับเหมือนกันนี่อีกแบบสมถะอย่างดูสีนั่งหับตาหรือพวกอะไรฉาปานี่ก็สงบสงบสงบอย่างนี้ ยังไม่ใช่เนื้อแท้ของวิปัสนาวิธีหรือไม่ใช่เนื้อแท้ของญาตปัญญาของพระอาจารย์ถ้านสงบจากตับ<ๆ>งง ก, กิเลสได้ลดกิเลสกำจัดกิเลสออกไปออกไปกไประจารวายไปจงประทังดัสนิได้ลดลงไปเรื่อยๆเเบาไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆจนล้านกิเลสหมดก็สงบหมดเพราะกิเลสหมดก็หมดสุขครับกิเลสหมดก็หม ด, มดทุกข์เพราะเหตุแห่งทุก หรือเหตุแห่งสุขขันธิกาที่บำรุงกิเลสนี่แหละเรียกว่าสุขขันธิกาสุภเพศสุขไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจริงสุขไม่มีจริงครับบางเมื่อดรบเหตุแห่งทุกข์หรือเกิดสุขเทศเนี่ยหมดดับสุขก็ไม่เกิดอีกครับทุกข์ก็ไม่เกิดอีกสิ้นทุกสิ้นสุขทุกขมาสุขหรืออุเกขาเพราะฉะนั้นสุขอย่างนี้จึงเป็นสุขสงบที่เป็น ผู้ใดทำลดได้เป็นอุปัติเทพเกิดไปเกิดเป็นเทวดาแท้โดยการทําให้กิเลสลดลงประสงบลงไปเรื่อยพอดับเไ็้หมดเกลี้ยงสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นวิสุทธิเทพหรือลมเป็นผู้ที่หมดเกลี่ยงสิ้นกิเลสก็ไปเทวดาสมสุวิสุทธิเทพนี่คือความไม่ทุกขไม่ทุกข์เป็นความ สุขที่ไม่มีภาษาเรียกฉันเรียกว่าปรมังสุขขังอาตมาบอกว่าการเปรียกกัประสุขอย่างยิ่งอาตมาบอกว่าคนก็เข้าใจว่าสุขอย่างโลกีมันยังยิ่งมันก็ไม่ไปไหนอาตมาก็ไม่ใช่มันแปลว่ายิ่งความสุขปรมาสุขขังมันยิ่งควาสุขโลกีนะมันไม่เหมือนกันมันยิ่งความมันไม่มีอะไรเทียบเทียบเทียบเทียบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่มี นักที่อุปมานักที่อะไรที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยยังีต้นสึมสุดยอดนีน่คือรักษณะที่ เ, เป็นสวนรรค์ได้ผลตรีผลรอตรีมินมถามมาว่าอาโศกแบบไหนอโศก ค, คือพวกที่ไม่เอาสวรรค์ไม่เอาดารกบเลยูะ ด, ด, ดุบสูงสุดแต่ก็ไปํามระดับ เี๋ผมจะรวบเลยนะครับจากจากชายภูมิกับเมื่อกี้นักเรียนนะครับที่นี่นะครับใกล้เคียงกันจากชายภูมิบอกว่าคนเราตายปุ๊บแล้วไปเกิดทันทีหรือเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ก่อนพระนะครับเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าท่านครับเมื่อก่อนพระเป็นอย่างไรแล้วทําไมพระผิดศีลกันมากเป็นเพราะอาบัยมุฒหรือเปล่านะแล้วตายไปแล้วตายไปพระจะไปอยู่ตามตำเหมือนคนธรรมดาหรือเปล่า อ่าวตอบอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อดิจิตไปนะมันจะทํารริบากที่ตายแล้วมันไปเรืงไหไปได้มาไหนอะไรนี่เป็นการถาอดิจิตไปตามวิบากเสียหวงพ่อเจ้าจดงไม่ไปเลยก่อนเราะคนตายไปแล้วนี่ยไปตามวิบากนะ่ยกวิบากกรมวิบากนีม่มันเป็นผลของกรรมเนี่ยมันเป็นอดิจิตไปเป็นเรื่องที่จะคิดจะพูด แต่สมาช์พอเข้าใจพอพูดก็พูดเป็นความรู้ให้ฝังสูบฟังนะซึ่งข อ, อยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้เจตนาอวดดีแต่เราพูดโดยคิดว่าเป็นความรู้จริงๆแล้วน่าจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะคนอยากจะรู้เรื่องนี้มันเยอะอยู่คนที่ตายไปแล้วนั้นจิตปิญญาตายปุ๊บเลยมรรคผตายุ๊บเกิดปับ๊บใช่ครับเขาบว่าเราคนเราตายปุ๊บแล้ว เดี๋ยวนี้ก่อนก็แล้วกั น, นคนที่ตายปุ๊บเกิดปั๊บไม่มีอะไรขัน้นนะ่ะไม่มีอะไรขัน้นตายปุ๊บเกิดปั๊บมีคนที่ตายปุ๊บไปเกิดปั๊บทุูคนเดียวเหรอ<น>อรหันต์จะไม่ตอบพบอรหันต์จะไม่ตอบพบตอบรู้ที่ท่านดับจิตไวยไม่ตั้งจิตต่อประดับทันทศูนย์เนิบไปเลยไม่มีอะไรต่อไม่ละสันติตไม่มีอะไรต่อนั่นก็ยกเวน้นสำหรับอรหันต์เท่านั้น หรือแม้แต่อรหันที่ท่านเด็นต่อพบต่อภูมิ ต, ต่างก็งงกเกิดปุลตะเมือนกันาต้องเกิดปุตตะเมื่อกันแต่จะเกิดไปตามี่บากของท่านท่าจะไปอยู่ดุสิตอรหันทุกองนะตายแล้วก็อยู่ดุสิตเนี่ยถูกเป็นตัวตคนเราเขานะาคคกคนทีนะนี้ไปก่อนทีนี้การตายของจิตวิญญาณที่ตายแล้วท่านเป็นร่องรอยหรือเปล่าเนี่ยคำว่าร่องลอยหรือเปล่าเนี่ยเป็น ชินประการของคนที่ไม่รู้เด oh. าคัน hmm. จิตวิญญาณตายแล้วมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่ไหนๆมันไม่มีที่มันไม่มีตัวตนไม่มีสถานที่มันมีรูปร่างครับ <c oughs> มันละเอียดจนกว่าจนอธิบายได้นะขณะนี้เนี่ยเสียงมันอยู่ในอากาศขณะเนี่ยมันมีที่อยู่ไหม เพราะถ้าพลังเสียที่มันไปได้ไกลแล้วมีพลังดึงมาได้อยู่โ น, น, น่นอเมริกามันก็ดึงไม่ได้อะที่เราพูดที่ไปถึ ง, ง, ถ ง, งเอเมริกากถึางกว่าซีโร่คงข้าวกับโลกที่บ้างอเบมีกากับไทยอ่ะขอเราฝังซีโร่เลยถึงนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีอะไรขั้นหรอกแค่เสียเนี่ยมันเป็นแค่ฟิสิกส์ประเทศพลังนานทางวัตถุพลังงานจากฟิสิกส์กับ มันก็ยังละเอียดข น, นาดนั้นเลยปิญญามันละเอียดขนาดนั้นมนมีที่อยู่มันมีที่อะไรอะไรต่างๆขนาะดทั้งนั้นเลยปิญญาเนี่ยน่ะนั่นนึงน่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปคิดเลยว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไปล่องลอยอยู่ยังไงอย่าไปถามเพราะไม่มีคำตอบคนตอบนะั้นตอบอย่างปวดดีตอบอย่างเดาตอบอย่างตอบอย่างไม่รู้ ค, รคนรู้แล้วไม่ตอบ เพราะมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีที่ไหนจะอยู่แจะมาอยู่ไหนอยู่ด้วยอัตตาอยู่ด้ตัวเองอตัวเองอยู่ที่ไหนไมันอยู่นี่คำตอนนี้อาจจะต้องว่าตีดินมันก็คงงงเมื่อตอนรับเ<ด>นะี่ยเราก็รม่รู้ร อ, รอยู่ที่ไหนเออได้ก็นเราหลับมีการคุณอยู่ที่ไหนมันฟุ้งซ่านไป เลยว่ตัวรังคามังไปไหนก็ได้ไปลิบลับเลยไปโอโหไปออกนอกโลกมันยังไปได้เลยไปที่ไหนไหนีนย่นยนะสมมุติว่าคุณเองคุณไม่ได้เคยออกนอกโลกคุณก็สมมติตัวเองว่าคุณออกไปนอกโลกนั่งจรวดได้ยิ่งคุณเคยออกไปนอกโลกรับรองคุณกลับมาแล้วคุณก็พุ่งตู้ไปโอโหตอนนี้เราออกไปนอกโลกตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคุณต้องใช้ ปัญญาพุ่งไปที่จิต พ, พ, พ, พุ่งไปโ น, น่นยากเ <Okay. S 1> อาเรื่มันจะยืยากสรุปแล้วจิตปัญญาไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างอะไรเลยตายแล้วมีแต่วิบากมีแต่ผลเพราะงั้นตายแล้วไปไหนคนที่มีนรกก็ไปนรกคนที่มีสวรรค์ก็ไปสวรรค์แต่สวรรค์ น, นี้มันหายาก เพราะสวรรค์นั้นมันเกิดเมื่อมีตาหูจมูกรินกายกระทบสบปันก็เกิดสรรค์ในขณะนั้นครับใช่สวรรค์อยู่ทีรร่ดี่เท่านั้นและเป็นสวรรค์เท็จ ด, ด้วยตายแล้วจริงๆนะ่ะสวรรค์ของคุณมีก็เพราะว่าคนนึกว่ามันสวรรค์มีมคุณก็สร้างสวรรคร์แต่จิตของคนสร้างนะั่เป็นสัญญาสร้างขึ้นเป็นมนโนมยตาใช่เป็นจิตที่สําเร็จด้วยาจิต เหมือนคนนั่งคิดตรงสวสรรค์สร้างวิมานต่าร้อวิมานที่เคยจำได้มาสร้างมา ท, ทวนก็ได้ไม่มีวิมานที่เคยเกิดแต่คุณอยากได้วิมานนี่คุณก็สร้าง เ, าเอาเ อ, าเอางวิมานอะไรก็ได้บาบาบา๊บาบาอบบบไปเลยใช่ไหมเด็กก็เคยสร้างผู้ใหญ่ก็เคยสร้างใครตรวจสอบนะนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่จริงมันเป็นของสร้างขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ว่ามโนมยถาัครบ เพราะฉะนั้นถ้าใครเองชอบอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์บ่าวาแค่ น, นี้แต่วิบากบาป ม, มันมีจริงมันมีการจะต้องหนักกว่าเพราะมันตกอยู่ในอนุสัยสวรรค์นรกนี่นะจิตที่เป็นสัตว์นรกนี่มันจํา ม, มันยึดจิตยิงตกอยู่ในอนุสัยท่านจะเรียกว่าไป็นความจริงเป็นทุกข์กับ พุกจริงๆเพราะมันจำามันไม่ลืมมันสังาฝังเไปในอนุสัยใส่วนความสุขนันมันสุขแป๊บๆนี่แม่คุณจะเป็นะกึกตามสัญญากำหน ด, ดขึ้นมาเป็นสวรรค์เองคุณก็เอาไว้ไม่นานได้หรอกอดเดยควรไปแต่นะอันั้นมันฝงอนุสัยมันฝังไหมมันต่างกันนะไอ้นี่มันคุณยต้องเอามาปรุงนะั่มันถึงจะเกิดสวรรค์ เพราะฉะนั้นแม้คุณจะตายไปแล้วคุณจะไปรนิึกถึงสวรรค์เหมือนฝันคุณไปคุมสติคุณไปคุมสางสวรรค์ในสติตอนหลอบไม่ได้ตายครับเ ป, เป็นประเด็นที่สําคัญของเรื่องว่านรกกับสวรรค์ น, นั้นในความหมายโดยไตรยะทั้งทางโลกกับไนรยะทางปรมัติ์นั้นนะมีความแตกต่างในความหมายกันอย่างไรแในความเป็นเช่นไรซึ่ง ตรนี้แหละครับก็จะทําให้เราเข้าใจมา ก, กขึ้นขึ้นก็เหมือนตอนเวลาเราฝันกับตอนเวลาเราตื่นกับไอ้ที่นึกจินตานาการออกมาเสพมันใช่อมันก็คงจะเข้าใจไม่ง่ายนะักแต่คนที่ทําเขา้เขาใจตามพิจารณาดี้จะเห็นจริงได้สวรรค์มันคือสร้างกลุงขึ้นมาแบบนับหนึ่งจริงๆมันมีเหตุปัจจัยต่างหูจมูกเล่นกายกระทบมันที่เป็นที่เริ่มต้นสวรรค์แบบนี้ เป็ น, นรถกป็นรูปเป็นอะไรเป็นๆแต่มันไม่มีแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนจริงๆหรอกมันคุณฝันฝันแล้วมันก็มั mar, สวรรค์ไม่ไม่เหมือนจริงเลยตาหูจมูกจมิญใจมาสักทียิ่งตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีจริงๆเลยตาหูจมูกจมิญใจมันมีอวัยวะพวกนี้เลยมันจะจริงๆมันก็มักลับกันตายไปแล้วมันรบกิจจริงยิ่งกว่าที่เป็นๆ ตายเลยนะจิวิญญาณจะตกนรกยิ่งกว่าเป็นเป็นเพราะไออุปทานหรืออนุสัยที่ยึดไว้เนี่ยด้วยความโง่ด้วยความโง่ที่หลงว่าจริงที่ยึดหนับแต่สวรรค์นี่ยึดไว้ไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากได้สวรรค์นี่คุณอยากได้คุณคุณจะได้เบาๆบางๆคุณจะได้ไม่ได้แบบทกนี่มันมันดุ่ เพราี้เวตายไปนี่จะตกตทุกข์ไม่ได้ตกอยู่ที่สวรรค์อรพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายไปแล้วนี่ได้สวรรค์ น, น, น, น้อยยี่มันเกิดเป็นคนยินยากน้อยกว่า น, นั้นอีกอมันสวรรค์คนน้อยแต่ยิ่งนรก เ, เป็นจริงนรกมากเป็นนรกบนล้วนไม่ส่วนมากคนน่ยนรกคืออะไรนรกคือบาปนารกคือกิเลส เพราะฉะนั้นคนยังไม่ได้ล้างกิเลสเลยจะเต็มไปด้วยกิเลสเท่านั้นครับแล้วคุณจะไปหาสวรรค์ที่ไหนจากกิเลสเนี่ยตายไปคุณไม่มีตาหูจมูกที่ตายจะเป็นกิเลสหลวงที่เป็นสวรรค์หลวงคุณคไม่มีแล้วครับเว่า ค, คุณจะจม อ, อยู่กับกิเลสแล้วก็จะใช้บาปใช้เวนี่เกิคนตายไปแล้จะนั้นมาเกิดเป็นคนอีกยากแสนยากนานมากเพราะต้องไปจมอยู่ในนรกมาก เขที่บอกเวลาเนี่ยลบมันยาวนานยิ่งกว่ามากเลยมานวกันเยอะนะสรุปแล้วคนตายแล้วไปไหนร่องรอยหรือเปล่าบอกแล้วว่าอธิบายแล้วร่องรอยมันจะไปคิดเลยว่าตายอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นนะลอยอยู่ที่นั่นนะครัสองแล้วมันก็จมอยู่กับนร ก, กนอัปตาของตัวเองและมันจะไม่เจอกับใครใ<ช>ตามที่เคยฟุ้งซานว่าตายไปแล้วสวรรค์หรือไปเจอกันในนรกไปเจอในสวรรค์อะไรต่างๆในนสารพัดสารเพล่อมเล่า อุปทานสร้างมนุษย์มียาเต่ามาเล่าเป็นนิทานทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ที่เล่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเล่าก็แล้วแต่ใี่จะเล่าถึงไอ้ตายไปแล้วมาเล่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องหลอกทั้งนั้นทีนี้พออาตมาพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าอาตมาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ นรกมันจริงนะมันจริงยิง่งกว่าคุณพูดนะคุณว่า um. นารกอาตมาไม่มีนะคุณนรกมีไม่เท่าจริงกับพระอาตมาอาตมานรกอาตมาจริงของคุณมหาว่าอาตมาไม่มีนรกไม่มีส่วนรจิตวิญญาณเนี่ยเป็นนรกจริงเพราะมันโง่จริงๆครับแล้วมันยังมีจริงอ่ะต้อคนล้างเนี่ยมาแล้วคนจะไม่เป็นนรกสวรรค์สรุปตอบก็คือจิตวิญญาณเนี่ยตายแล้วไปไหน ไปตามวิบากครับแล้ววิบากส่วนมากคือนรกวันนี้จะตอบคือยิงป้องเลยตายแล้วเป็นนรกยิงป้องแล้วยิงั่วนมากก็ไปนรกต้องมาศึกษาดีๆแล้วไปค่อยๆเทานรกได้และเป็นสวรรค์ที่แท้คือสวรรค์ที่ไม่ต้องเปมีสวรรค์แต่เป็นนรกอันนั้นนองแท้เป็นรูสิทธิ์นอกนั้นไปสวรรค์ลงนันั่นแล้วไปแบบเดียวครับอันนี้อาจจะ ครงสุดท้ายในในครั้งนี้ก็ได้ครับบอกว่าจากตนทบุรีนะครับ mm hmm. ผมอยากให้ mm hmm. เทลักษัมาคมมาดูงานที่สันเตียโศกกันเลยครับ mm hmm. ผมเคยมาตราบพ่อท่านที่ประมะโศกแล้วผมจะมาตราบอีกครับคุณมีสิทธิ์ที่จะต้องการรับบายให้เป็นแต่ส่วนจะเป็นนั้นก็แล้วแต่บุญบา ร, รมี บ, บุญบา ร, รมีที่มีมันก็ควรจะเกิดสิ่งที่ควรเป็น ถ้บุญบารมียังไม่มีมันก็ไม่เปิดใจที่คุณเป็นกทศลนั้นอาตมาไม่ไปต้องการอะไรไม่ต้องการแบบที่คุณต้องการอาตมาก็ไม่ต้องการครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาได้แล้วไม่เอาสิ่งที่ดีได้แล้วเอาแต่ว่าอาตมาไม่สร้างความต้องการใจจิตที่พูดว่าไม่ต้องการเนี่ยไม่ต้องการสร้างความต้องการใจจิตว่าจะต้องอยากได้อาตมาไม่อยากได้อะไร อาตมาเพียงทำอย่างเดียวสิ่งนี้ควรได้หน้าได้ควรได้เรามีความรู้มีวิสัยทัศน์พอที่จะรู้ว่าอันนี้ควรได้แลวไม่ไปสร้างวิสัยทัศนไ์ไกลนานไม่เอาเอาแต่แค่พสอสมคนรมีเหตุปัจจัยที่เคยเห็นระดับเนี้ยที่เราสามารถทำได้ในเหตุปลจจันี้ไม่ออกไปเอาใกล้ ถ้าอันนี้ควรเป็นควรได้ไปเนี่ยควรเป็นคนได้นะั่ไม่ได้อยากนะ ค, ควรเป็นควรได้เหตุปัจจัยอะไรมันจะเป็นอันนี้อันตรมันก็หาเหตุปัจจัยแล้วทำให้มันได้จนมันจบไม่ต้องอยากได้เลยยาวได้เซคแคลอรี่แล้ว อ, อ้าครับทุครับเราไม่ได้ต้องการให้สังคมเราเป็นสังคมอุดมค ต, ติเป็นสังคมที่แท้จริง เกิดขึ้นจิตงคติได้แต่ยังไปลคติจงมาอยู่กับอุดมการอุดมคติกับอุดมการ์ต่างกันอย่างไรครับอุดมคติคือจุดหมายที่เราต้องการจุดหมายไกลสุดยอดเลยรวมเป็นองค์รวมของสิ่งที่เราต้องการอุดมคติครับเป็นสิ่งที่จิตมุ่งไปเลยตรงนั้นแต่อุดมการนั่คือทำอุดมการนั่นคือปฏิบัติ แม้จงปฏิบัติตามอุดมคติที่คุณต้องการไปตามลําดับอุดมการ์มันจะไปถึงอุดมคติสุดท้ายเองนั่นก็คือสังคมอายะใช่สังคมอายะเพรนั้นตัวันนี้อาจะมาพาตัวเราทํามมาทำไมได้ขับนอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ไปเน้นอะไรมากเป็นแต่เพียงคำทับคำจาคำสมทับระไรๆให้เข้าใจให้เข้าใจไม่ทุกคนสนมกิสมเนียดทุกคนร่วมกันทำมันมันจะดีจะเร็ว มันจะได้ือไม่ได้มั่อยู่ที่กรรมกิริยาของต่ละคนต่ละคนตังใจทำหรือไม่ตังใจทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจริงๆมันได้ทำที่กรรมเป็นอันทาทาได้ก็ได้ก็เท่านั้ดีก็ได้ดีก็เ่นี้มีช่วก็ช่วนี้หรือดีชั่วมัรลบหมดาบคุณหายจากจไหนไันก็เท่านั้นมันก็ได้แค่นั้นอย่างนั้นจริงๆเกิดจกรรมกรรมเป็นของจริงทามากทำน้อยทำอะไรกี่รักกี่แจทำอะไรกี่รัก ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีกรรมกรรมคือพระเจ้ารกรรมคือพระเจ้าหรือกรรมคือซาตานใครทําชั่วมันก็เป็นซาตานแล้วเป็นของจริงมีทั้งพระเจ้ามีทั้งซาตานเพราะฉะนั้นในจิตปัญญาของมนุษย์มันมีทั้งซาตานและครับมีทั้งพระเจ้าเป็นศาสนาแต่เทวานิยมนั้นไปเพ่งแก้แต่ทางพระเจ้า อฏิบัติแต่ดีศึกษาแต่ดีไม่เอาใจใส่ไม่ศึกษาทางชั่วไม่คิดชั่วไม่เรียนรู้ชั่วไม่ไปเอาแก้ไขที่ชั่วไปเอาแต่ดีมีศา ส, สนาเทวนิยมเป็นอย่างนั้นพราะฉะนั้นเรื่องชั่วนี่อย่าไปพูดของเขาเลยอย่าไปเกีย่ยวไปอะไรเลยเราทำแต่ดีดีดีดี ด, ดีไปเรื่องชั่วมัน ก, คก็คุณก็ทิ้งคุณไม่ได้แก้ใไขเหตุเลยพมะศาสนาที่เป็นทางเทวนิยมเนี่ยเป็นศาสนาพระเจ้าเนี่ย เอาแต่เรื่องดีเท่านั้นเรื่องชั่วไม่ศุกษาไม่สมสันใจไม่มาแก้ไขไม่มาตรวจสอบส่วนศาสนาพุทธนั้นไม่เป็นเหลืองในดีเลยไม่ไปมุ่นในดีเลยกลับมาดูที่ชั่วกับมาดูแก้ไขที่ชั่วตั้งแต่เบื้องตอน้นตรงกลางมันกราไปตามันดับแก้ชั่วหมดจ บ, บมันดีไปในตัวเอง เพราะศาสนาพุทธมีวิธีการไม่ินดีการปฏิบัติกรรมมีกรรมกิริยาอยู่ตรงเหตุปัจจัยทุกอย่างเลยดูเพราะติเช่นสัพพะหลักยอดสัจจะโอกีสุขมีอยู่ครบหมดมแล้วก็เรียนรู้นี่อะไรดีอะไรชั่วแล้วก็ล้างเหตุที่มันไปทําไม่ดีดเลยหรืว่าเป็นกิเลสเองหมดหมดแล้วจบเลยเพราะมันจะรู้อะไรดีมันก็ทําไปอีกตัวแล้วมันก็จะมีจิตรู้ว่าสิ่งที่ควรทํา มันจึงตรวจกรรมปัญญาเกิดกรมปัญญาไปตามลดับสิ่งที่ควรทำเป็นลำดับครับในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นกรรมปัญญาเป็นก้างานนั้นเหมาะควรในการงานนั้นได้เราวพูมาทําตามลำดับเป็นเสี้างคลกรรมปัญญาหรือเป็นในระดับที่รกระตุ้นชา้าพ้นจากนั้นมาสูงสุดมาเป็นกรรมปัญญาในระดับของการขั้นสูงเพราะฉะนั้นผูุ้เบขาขึ้นไปจึงเป็นกรรมปัญญา ในขณะที่ทำฌานจะเป็นกรมนมรมนิยมมีกรมกรมนยิยมกรรมนิยมันเป็นไบโพดกันแต่ว่ามันต่ากงกันอย่างนี้ก็มีความจัดเก็บมากขึ้นในวันนี้คนระับวกรืเวลาอีกห้าทีว่าเมื่อกี้นี้นขุณสัชรเขาจะบกทีนาทีอ่ะยี่สิบแล้วอ้าวมีห้าทีต้องเจ็ดทีต้อก็ กจะาจะให้ท ส, สรุปอะไรอีกก็ว่ามากับประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการลกระดับจิตวิ ญ, ญญาณของตนเองนั่นหมายถึงว่าภาาิสักคู่เนียที่พวกครูพูดออกมานี่คือถ้าเข้าใจหลักของพุทธมากขึ้นเนี่ยก็คือเราต้องศึกษาในภาค ข, ของของทุกโดยที่ไม่ต้องไปมองแต่ตัวสุข<ช> เพรา้นเรามองแต่ตัวทุกข์กำจัดให้เรียนรู้ไอ้ตัวทุกข์เป็นกอดสุขมันไม่มีในส่วนมันเป็นเท็จหมดสุขมันไม่มีความสุขที่แท้จริงก็คือหมดทุกข์หมดเหตุแห่งทุกข์ตอนนั้น ค, ความสุขที่แท้จริงนะคือหมดเหตุแห่งทุกข์และวต้องหมดทุกข์นั่นคือความสุขตกลางครับเพราะความเป็นกลางกนี่แหละมัชชิ ม, มาตัวนี้แหละเข้าใจกันไม่ได้ ขออธิบายสาย Murder, ่ทายเนี่ยจะมีเวลาหกในปีพระเจ้าสอนธรรมจัดกับพะเจ้าสอนเรื่องการมาสุขริขัตกับอัตต์กิลมตะในฝ่ายสองฝ่ายเนี่ยมันคือสุขกับทุกข์ที่ในกามมันก็มีอัตตาใช่ครับไปแค่นั้นบำเล็ญ ก, กามคุณก็มีอัตตาระดับห น, นึ่งลดกามได้คุณก็มีอตตากาอยูระดับนึงใช่ครับ เป็นอัตราในระดับที่สูงขึ้นเพราะคุณสมใจในการได้การลดกิเลสคุณได้การลดกิเลส เ, เป็นอัตราถูกำ้างใจแต่เป็นนียธรรมเป็นสมนัเวตนาครับจะสมรัติในธรรมสิทธะสมนัเพญนาเป็นเป็นการดีใจอย่างที่คุณมีสมใจที่คุณปฏิบัติลดกิเลสได้ครับมันเป็นอัตอตาทัศนสุขครับ เพราะงั้นอันนี้มัเป็นอุปกิรณ์ที่คุณจะต้องลดมันเป็นปีติมันเป็นสุขอะไรอยู่ในองคชานเนี่ยมันเป็น <c oughs> อุปกิเล์ไม่ใช่กิเลสตรงมันเป็นสื่อสิ่งดีขึ้นมาแล้ว <c oughs> แต่ก็เป็ตัวตนเหมือนกัน <c oughs> ก็ล้างมันทั้งสองอย่างล้างทางการล้างทางอัตตาเ <c oughs> อาละอาศัยอัตตาดีก่อนการหมดไปคุณก็มาล้างอีกแล้ว ก, ก็ค่อยลดอัตตานี้ด้วยลดการด้วยมันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนสุดท้าย กามหมดเหลือแต่อัตตาครับอัตตานี่แหละมันเป็นเรื่องลำบากกิลมัฏแอะไว่าความลำบา ก, บากส่วนกามมันเป็นเรื่องที่หลงื่าสุขครับส่อิกาะใส่กับสุขเทส่วนอลิกะเนี่ยเพราะว่ใช่อลิกระกิลมถเนี่ยมันเป็นความลำบากจริงๆ ก็ฉะนั้นพระอนาคามีขึ้นไปจึงจะเห็นชัดเจนว่าโอ้ยไอ้เรื่องตามเราก็เลิกแล้วหมดอัตตาหมดทุกข์ของตามแล้วมันก็เหลือแต่อัตตามันจึงเห็นชัดเพราะว่ามันชัดแล้วนี่เรียนรู้ทางทุกข์ไอ้เพราะไอ้ตามมันทุกข์มาแล้วก็เป็นอัตตาซ่อนแม้แต่เป็นดูของกิเลสซ่อนแต อ, อัตตา <S <S ที่ชายมันรักษามันก็เหลืออัตตานี้มันจึงว่าม่ มันก็ยังทุกเพราะอนาคามีจะเห็นทุกทุกมันยังมากกว่าพระอรหันต์ครับพระอรหันต์ก็ยังมีทุกพระอรหันต์ท่านใช้คําไม่ใช้คําว่ากิลมัฏฐะก็ใช้คําว่าเทระธครับเทระก็เป็นความลําบากมันมีวิตรติสารครับกิลมัฏฐะแล้วก็เทระธาครับนี่แปลว่ควลาความลําบากหมดความดึงดันร้อนใจหมดหมด แต่ถ้าวิปปิสานแล้เป็นความเรือนเนื้อร้อนใจที่รวมวิปกิสานก็จะต้องบรรลดเป็นธรรมกานกลางในพระพุทธองค์ทางปกิสานสว่วนที่เริ่มธรรมนั้นเหมือนจิตวิปฏิสานมันวิญญาณการธรีมนั้นเหมือ น, นจิตสุธรรานั้นมันอาสวะ<ม>หรือยิ่งกว่าอาสวะตรงที่ว่าพระอราหารันต์ต้นเลือธรรม มันเป็นความลําบากเป็นภาระภาระฮาเวมันจขันพาเพราะฉะนั้นแม่จะมีวิญญาณพอไปเจริญจะมีขันสะอาดแล้วเจตนาก็สะอาดรูปสะอาดเจตนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณสะอาดหมดแล้วครับแต่ขันห้าเนี่ยที่ปราศจากอุปทานรูปไม่มีอุปทานแล้วเจตนาก็ไม่มีแล้วสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มี กทแล้วหดไปทำสามแ้วห้านี่ก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ปดี่ปวเจียวอยู่ก็ไลเป็นฟอันยันต์ตุกติจ้ายังตุปวดขี่ปวเจียวไอ้ว่าไอ้ปวดไอ้ไข้เป็นัเป็นไอ้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อีกห้าหกอย่างที่จนขอมาเรียนในวินัยวินัยอไรมาเรียนในธรรมวิภาคอะไรขัั้ก็ทุกขนั่นแหละทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อีกตั้งเพราะยังมีขังมันต้อง อริภาพเป็นปริโยสารไปโ น, น้น hmm. เลิกวางทุกอย่างสิ้น hmm. เหมือนรู้จจ้าทนัดเอาไว้ในพชทธมรโสศพรัชสุดท้ายเลยใครมีปเปิดดูพระพุทธเจ้าสมปร ะ, ร ะ, ระสเจท้าสติตทรัสว่าเราชาตินี้ชาติสุดท้ายเราตายจากชาตินี้แล้วใครก็จะไม่สามารถเห็นได้เห็นเราได้ ฟังในรูปและในนามใอ้บ้านไม่ได้เห ม, มือนพวงมุกพผลไม้พองมกหลุดจากค<อ>ัว้วาแลวแตกกระจายไปหมดเลยไม่รวมเป็นติดไม่รวมเป็นติดแตกกระจายแล้วไม่รวมรปเป็นติดยกครับไม่มันรวมเป็นชั้นห้าอีกแล้ว <pink. S 1> ชั้นใดก็ชั้นววนั้นบริจา์เปนิดนิดพระมช้าสวดมาจำได้ชัไเมนะฉั น, น, นบักไ้ว่า นี่คือการปลิ่ยติี่ผาดยางเป็นประโยชนาสัมยัป็นถ้าเครจะประโยชน์สัมพันธ์ก็เลไม่มีไม่ตั้งอีกเลยอย่างฝรั่งทุกโูกมีสิทธิจะปฏิ่ยนงเป็นประโยชน์สามพนพระพุทธเจ้าทุกองค์แน่นอนดูแม่พระบพิศัตว์บ า, างองค์ท่านาไม่ตอบพบแล้วแำไปล้วคอยดีท า, ายตามทางพระโพธิสัตว์แต่องค์ท่านก็เปลิ่ยนแปลงเป็นประโยชสัม์ท่านได้เพราะท่านรู้แล้ว ขออภัยอย่างอาตมานี่จะประโยชน์ศารก็ได้อาตมาก็ทาได้แล้วอาตมาก็ไม่ต่ออาตมายังมีใจที่จะทำงานตต่ออยู่อาตมาก็าต่อพอตายก็อาตมาก็นิพพานอย่างมีปฏิบัติปฏิทังจิตปฏิทังิทังนิพพานไม่ชื่อตั้งจิตต่ออาตมาไม่อัปฏิทังไม่ใช่อาตมายังังจิตต่อนี่เป็นต้นดังนั้นในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมด ประเด็นอะไที่คุณว่ามุทิตประเด็นตะแกรงเรืต่ไม่ใช่ที่คุณท้ายเนี่ยจะจะขออามารยิาวเรื่องเรื่องของการศึกษาในพุทธศาสนาคือบองแต่ในเรื่องของทุกข์ใช่เพราะงั้นการอัตมาที่ขยายความทุกข์มาจนกระทั้งเตงอนมรรคจักรจนกระทังตือารรคผาราโฮเมเป็นจักรันพาแม้มีขันห้าอยู่ก็เป็นภาระที่มรรค มันเป็นทุกที่เลียงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจึงต้องรู้ทุกขอย่างสูงสุดเลยในชีวิตครับพระพุทที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านยังไม่ทิ้งขันห้าเนี่ยไม่ถึงบุญคุณท่านเถิดท่านยอมเพ่งอยมั้ยท่านยอมทุกข์อยู่หเปล่าแตุ่กแล้วเ็นบางอย่ชวยบุญของคุณ มันก็ไม่อยากพูดเราแต่เราพูดไปเสร็จจะเป็นพิชาการให้รู้ความจริงครับเมื่อการอยู่ท่านทําอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์คุณข้าเพราะฉะนั่าสมาธิเข้าใจเข้าใจเห็นใจคนจว่าโอ้พระพุทธเจ้านะั่นล่ะถ้าตายสุดนะท้ายแล้วท่านสูดไปทําไมเล่าว่าท่านทมไม่ประโยชน์คุณข้าจะตายท่านสุดยอดแล้วดำเนียอะไรสุดยอดท่านจะตายไปทําไมแล้วก็ช่วยโลกมนุษยที่มันทุกข์ร้องกันอย่างไรดีตายสูดไปทําไม กอท่าเป็นพู้บริษัท์มาท่านทายให้ท่านท่านพอที่ทีทอททอ่อ๋อเพาะไไอ้คนที่ทนทุกนทรมานช่วยโลกอยู่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมาทรมานอย่นเป็นผู้บริสัทนี่ก็อีกตั้งเท่าไรเท่าไรนะ <c oughs> แล้วนะให้ท่านพอมาถอถึง ด, ดีเอ็นดางอาจมา้ไอ้คนทุนโดยไม่เลยเนืง่งจความจริงได้มันหนาวรดอลงเงินทนแกนตัวอยงรกับประโยชน์ เขาประโยชน์ก็ประโยชน์องแต่ว่ามันก็า้องสู้เต็มที่จบขนาดจินก็ยังบอกว่าการเรื่องยังมีวันเลิกงา <c oughs> นี่ก็แหมจะเป็นพรุทธเจ้าก็จะไม่ให้ฉันเปจบเป็นพระพุทธเจ้าเลยนอกจากอกฝันเฟื่องเป็นมีพระตัณฑ์เศษในพรุทธเจ้าพระอี่นั่นอีกอีกกำลังเกินไปเพราะฉะนั้นศกสนาสุโขทัก็ปฏิวัตสรุปอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีโอกาสที่จะเปใส่บาตรพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่มี พระเจ้แก้แน่ๆบอกไมไปใส่บาตรแล้วพเจ้าไม่มีก็พบประชาสูตรที่โยนเอาไว้เนี่ยที่อามายืนยันใ่ท่านตายแล้วสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีอะไรเหลือทุกอย่างแตกแยกเรื่องแบบกายยเพทาครับเพทธาในแปลว่าแตกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกายยักษ์เทาเรื่องขององค์ประชุมของตายครับองค์ประชุมของธาตุดินน้ำไฟลมองค์ประชุมของวินญาณนามรูป ไม่ประชุมกันอีกแล้วเมือนก็นแยก H2O H2O ไฮ<ม>โดรเจนกับออกซิเจนครับใครสามารถแยกมันออกมาใ้มันมากาะชากันอีกได้อีกแล้ว H จะแยกไปไฮโดรเจนออกซิเจนแยกไปครับถ้าตามก็ไม่มีให้คุณเห็นอีกแล้ว<ะ>ในับไหนในในี้แล้วนอกจากมันจะมา ร, รวมกันจับเข้าไปเป็น H2 กับ O หน้าคุณก็จะได้ <laughs> ท่านครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากประเด็นของเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่วันมหาพรตวนานะครับทพื่ีใ้เราได้เรียนรู้ว่าการภารวนานนเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะได้เป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ผมคิดว่าหลายท่านรวมทั้งผมด้วยนั้นเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะยกระดับจิตตัวเองในการที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้นะครับ สังคมที่ยังคงมีการตนชิ้นดินทานะครับการทําทจิตของตัวเราเองนั้นเราจะต้องมองตัวเเองเป็นเช่นไรต่อสถานะและสภาวะแวดล้อมของสังคมที่เราต้องอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าจะทําให้หลายๆคนถ้าเข้าใจวันนี้บนต้นตัวขอเองนั้นเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีการพัฒนาตัวคนภายในมากขึ้นต่อสิ่งที่เราจะต้องยังคงอยู่ของสภาวะสังคมนะครับหมดเวลาครับวันนี้ต้องจบ นะครับพรกภูมสมบูรโปริระนะครับแรงมดเวลาลวนะครับจะิด้ทำสน่งดีครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับจะได้มาจัดรายการอีกครับสวัสดีครับ เร้วเร็วเร็วทันทัน Ah, oh, they're not tired else. <laughs>